อารวมของเราให้มารวมกันเนี่ยเพราะแัสายหูตาหูจมูกริ้นกายใจเรานี่แศษสายรับอารมณ์ทั้งวันแต่ที่จะมาให้มันรวมมาเป็นหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยจะมีนั่นแหละธรรมะของพระเจ้ามีอยู่แล้วจิตสงบก็มีอยู่แล้วแต่เพราะว่ามันมีแต่สรงออกมันไม่ได้รวมมาเป็นภายในเราไม่ได้โอปันิยโกน้อมเข้ามา เราไม่ได้เอฮิปัสโกลองเรียกสันนิายมาดูทำเราเลยไม่เห็นไม่แต่จะไปดูไปดูตรงนั้นไปฟังตรงนี้นี่ามาฟังธรรมอย่างเงี้ยามาฟังภายนอกตรงโอ้เน้องก็ไปภายในอย่างเงี้ยที่ท่านสอนนะกายวาจารใจแล้วนะ่ะมีไหมมีไหมทางของสอนเราเนะ่ะทานมีไหมทานสมวัตถุกอภัยทานธรรมทาน ในรัฐทานเดียวเนะี่ยหมดแยกกัละเอียดมาเนะี่ยมีทั้งสามอย่างนะในรายละเอียดนะอ่วัตุทานอภิยทานธรรมทานเนี่ยธรมมทิคณิกะอุปจาระเนี่ยอปนาสมาธิเห็นไหมละ่ะปัญญาอีกเนีเป็นเบื้องต้นอย่างกลางโยกิดจะเป็นอัตโนมัติอนะในพิจารณาไม่ขันห้าเนี่ยเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในตัวเราทั้งหมดเอะ อาลิสัตชีก็ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคอ อ, อะไรเป็นทุกข์แก่เจ็บตายเงิรูปร่างกลางตัวนี่แหละแก่เจ็บตายไม่เห็นเรอสกิดกัญหาก็ใจเหล่านี้แหละรับอารมณ์รูปเสียงินรถแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจไงอยากชอบใจก็อยากได้เพราะว่าเพราะวะะ่าปัญหาอยากเป็นอย่างมีอย่างได้ไม่อยากมีอยากได้ก็เป็นวิปลาปัญหาเงินเป็นอยู่ที่จิตทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นที่ทุกเกิดเ อ, อนิโรธความดับทุกข์ต้องทําให้แจ้ง มึงจะแจ้งมึอต้องเดินมรรคก็เดินปัญญาก็เดินพิจารณาไตรลักษณ์นี้นะหรือรูปรูปวิทยาทัศน์อย่าสั้งขานเนี่เห็นไหมที่อธิบายมาเห็นไหมว่ามาแล้วมันอยู่ตรงนี้แหละทีนี้พอเราตรวจจาเข้าวัดเราก็จะเห็นความปกป้องของเราไงในวัดว่าคําสอนพระเจ้าเราปกป้องอยู่ตรงไหนถ้าตรงไหนตรงนั้นเราควรพัฒนาเออหรือสอบสมัยใหม่เนี่ย เหมือกับโทรศัพ์อัปเกรดขึ้นมาอย่างเงี้ยตกรุ่นอัปเกรดขึ้นมานี่เป็นทันสมัยใช่ไหมซีรีส์หกซีรีส์เจ็ดซีรีส์แปดสิบสิบสี่สิบห้าก็ว่าไปเห่นไหมก้าทันสมัยตลอดเลยใช่ไหมเพราะนั้นกายปัญญาใจของเราถ้าเราทําตามทําตามยุคสมัยใหม่นั้นนะเราจะเห็นว่าคําสวนพระเจ้านี่น่ไม่มีล่าสมัยเลยทันสมัยตลอดเวลาในเวลาเที่ยงนั่นนะ ถ้าเราเรามาพิจารณาตรงนั้นเนี่ยถ้ามาขาดตรงนั้นเราก็วัดเข้ามาดูพอขาดตรงบกพองเลยเราก็มาทําให้เราให้ได้มาตรฐานพอมาตรฐานมันก็มีคุณค่าภาษาสมัยใหม่ก็มีฟอร์เรตี้นั่นแหละมีคุณภาพอะมีคุณภาพแล้วพอให้เป็นสุขอะนั่งกับเป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินกับเป็นสุขในโลกอันนี้คนหาอะไรเราหาความสุขังนั้นแหละไม่มีใครหาความทุกขหรอกเฮะ เดี๋ยวมาหาว่าสุกปัญญังอะไมันก็ออกปาออกเอาทานเองเนะ่ยสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะสุขหนอสุขหนอสุขหนอเพราะว่ามันมีเวรไม่มีภัยแล้วก็เราควบคุมสมรวมระวังระวังการปยาใจนี่เพราะเราเข้าใจแล้วว่าเป็นตัวเล่งเป็นตัวที่ผลิตให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดเวรเกิดภัยเหมือนกับหลวงพ่อสัเทพแล้วเราไปทำอารมณ์นึกไปทำกลาไงเห็นไหมพอได้ยินคำสอนเลยเจ้าอย่าไปตกนรกหมกไหมก่อนสติรัชานเปลี่ยนสุดใกล้เรอยู่นในเรานี่แหละ จะเป็นโสดาบันตะกิทานาคาละหันพระพระพเจ้พระพุทธ เ, เจ้าก็ไปอย่างเรานี่แหละเราทำเมาโดยอาศัยหนทางที่มันถูกคือทางสายเอกนี่แหละทางอริยศัสตร์มันก็มีอยู่คำนี้แหละสี่อย่างก็ทุกขันรนิโรถมรรคแล้วก็ไม่ทิ้งหลักอริยศาสตร์นี่นะเข้าใจหลักอันนี้นะแล้วเข้าใจหลักสติปัฏฐานสี่ลายเวทนาจิตธรรมกายก็เนี่ยคารุบันนี้แหละ เวทนากือสุขทุกข์เฉยๆนี่แหละแล้วก็จิตคือความคิดนึกลงไปในแต่ใจและอารมณ์นี่แหละแล้วก็ธรรมทั้งนี้ยเป็นธรรมะที่เ่าที่ว่ามาเนี่ยเป็นธรรมะทั้งนั้นไม่ใช่เราที่เขาโลกเป็นธรรมชาติมั็นธรมธรมธรรมะคือธรรมชาตินั่นแหละมีปัจฉิตตัาก็ดีภายในก็ดีภายนอกก็ดีทัง้งภายในภายนอกก็ดีมีสภาวะเหมือนกันหมดเนะอันเดียวกันหมดนะ่ ธรรมาตะโลกะที่ปติสหัมภติักนันเฉลี่ยนที่วรังอายาจะทา สันติทัสสตาปราชากาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมติมังปัจจัง นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือกวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆไม่ต้องส่งใจมาถึงบุธให้เหมือนกับว่าเราอยู่บ้านนั่นแหละใจเราอยู่ที่เรือนร่างเรานี่ยอยู่บ้านให้ธรรมะมาสัมผัสใจเรานะเราจะเข้าใจดีตรึกจองไปด้วยยิ่งเข้าใจดีไม่ต้องส่งมาเมื่อกเราไม่อยู่บ้านใครออกไปเราก็ไม่รู้ใครเข้ามาเราก็ไม่รู้ถ้าอยู่บ้านใครเข้ามาเราก็รู้ ออกไปแล้วก็รู้เนี่ยตั้งใจมันอยู่ที่บ้านเนี่ยนีพุทโทตั้งไหนก็ตั้งหมดตรงนั้นเนี่ยให้ธรรมะมาสัมผัสใจเราเนี่ยเหมือนเพลงกลมเด็กอ่ะแล้วมันจะสงบช่วยเันจะไม่คิดออกไปะทางอื่นอ่ะภาคปฏิบัติไม่พูดมากหรอกไม่รับจบายไปมากมายพู้ที่เข้าใจแล้วมากระทําเนี่อาจารย์ก็ถือมติของหลูงปั้นเนี่ยที่เรามาอยู่ในศาสนาที่ได้ท่านก็พาเทศแนะนําไร้นนแล้วก็เราก็ทําไปด้วย ดำเ น, นินได้ไม่ได้เราก็จะรู้เห็นโทษเห็นภัยตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ก็รีบทําเลยปฏิบัติเลยนะเพราะศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยปริยั ต, ยตสอนแล้วเนยข้าขาดการปฏิบัติพลาด ว, ว, วันนี้ไม่เกินเป็นปฏิเวทะเป็นผลขึ้นมาไงเป็นวิจฉากผลกทางการทำอ่ะมันเลยไม่เกิดทั้งทั้งนี่จิตสงบที่มันมีอยู่แล้วเคยทำไไม่ไม่เจอไม่เห็นเพราะเรายังทําไม่ถึงถ้าทาถึง มันก็ต้องได้รับความสงบเมื่อเราทานอาหารเนี่ยกินยังไม่ยังไม่พอก็ไม่ได้ไม่อิม่มเ้วต้องกินอยู่นั่นแ่ะพร อ, อิมนะ่มแล้วมันวางเองช้อเนะี่ยมีความสุขมีความสบายมีเลี่ยวมีแรงมีพลังกาลังต่างๆสดชื่นเบิกบานนี่นนยนะจิตของเราก็เหมือนกันถ้ามากินสักพุโทโธกันไปแล้วอิ่มอารมณ์แล้วนะมันวางหมดเลยลึกเราลึกก็ไม่ออกพุโทโธนี่ไม่ไม่ต้องระลึกเลยมันจะเป็นพุโทโธภายในเป็นอันเดียวกันธานตุสว่างจ้าอยู่นั่นแหะ นั่นใช่ไผู้ใดเห็นธรผู้ใดเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้ใดทนะำเนี่ยคเหล่านี้มันมีอยู่แล้วไม่เห็นถ้าเราไม่ไปถึงตรงนั้นท่านอย่พูดคำเยี่ยมมาได้ยังไงเรามันมีอยู่แล้วแต่เราทําไม่ถึงไงเราจะไม่เห็นมันก็เลยสงสัยอทีนี้ก็ไม่เข้าตรงนี้เขาคาดหวังวันหน้าวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าไปเรื่อยยหรือว่าคาดหวังว่า <S <S จะสุขจะเจริญเน่ะเป็นไปไม่ได้ไม่เคยไม่ได้นะไม่มี นะโมตัสสะมงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเมงค ะ, งดดะงโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเมงคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข อ, อ, นอบน้อมในองค์สัเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สยามูโนเป็นผูต้ตรัสรู้เองโดยถูกทวนพระองค์นั้น ตมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคาตาโรตัาฐกาตาอิมัจะธรรมปริยายสสะอัตโตสะอิสมันเตหิสก จ, จังธรรมโมโสตัมโบตีบาลีที่ขึ้นนี้ตมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคาตาโรตัาฐกาตาแปลเป็นไจได้ปะกิจทั้งหลายท่านต้องจำเองเราตถาคต เป็นผู้บอกคุทางให้เท่านั้นแหละไม่ได้มาทําให้เหมือนกับหลวงพ่อสอนบอกเมื่อเช้านั่นแหละพระเจ้าเนี่ยามาเทศมาสอนมาบอกเนี่ยแล้วเราต้องไปทําเองไม่ไม่ต้องรอวันรอคืนยืนเดินนั่งนอนลอักความเชื่อก็ทําได้เอยืนเดินนั่งนอนทำจิตได้สงบก็ทําได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาสัพธรรมมันอยู่ที่เราทั้งหมดนั่นแ่ะถ้าเราทําอย่างเนี้ยได้เงี่ย นั่นแหละอัตหิอัตโนโนะโถตนนั่นแหละเป็นทีิปมะแขงตนยังไปหวังหน้าหมอหน้าจะมีใครยังมาช่วยเราไม่มีเพื่อศาสนาเพื่อศาสนาทำ้อยู่กับพระอยู่กับวัดยรู้อยู่กับเจ้าถ้าเรามีกายวิจใจเร า, พาเพื่อเจ้าสอนวิธีกายวิจัใจเรานี่แหละแต่เราไม่ได้ยินทานแล้ไม่มีทางเขาทำทานทานเขาเยอะแล้วสิ่งปนไว้อยู่แล้ ว, วามากม า, ายมัวเจ้าไม่เห็นตั้งอาหารทั้งสิ่งของเนี่ยมาถวายผ้าสิ่งของที่ไม่หว่านไหว เนี่ยศีลเนี่ยในรักษาระอยังแต่ตัวนี้เป็นการคุบวบคุมพฤติกรรมเราจะไม่เป็นโทษเป็นเวรเป็นภัยก็กาดมาจากศีลนี่แหละถ้าเรารักษาดีสำรวมระวังดีโทษเวรภัย ก, ก็ไม่มีไม่เบียดเบียนตัวเองและก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นแหละเป็นที่มาของอัปยาปัจฉังสู่ขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนกัวเป็นศึกในโลกเหมือนเราใส่เสื้อดุมแรกเม็ดแรกถูกอะรักษาตัวเองก่อนแล้วเนี่ย เห็นไหมพอเราถูกปบไม่ที่สองว่ถูกไม่ที่สามว่าถูกเมื่อเราเริ่มต้นถูกมึ่อันนี้ยความส่วนพระเจ้าลดเริ่มต้นถูกเราก็มีความสุขไงทีนี้เราเป็นชันหมู่อยู่ร่วมกันเไงเราเป็นลูกอย่เงี้ยถ้าเราไม่เบีเบีนตัวเองเขาไม่ไปเรียนหนังสือไม่เกเรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียนจบแล้วเราก็ทําให้พ่อแม่สบายใจเงินที่หามาให้ค่าเทอมค่าใช้สอยค่ารักค่าราค่ากินค่านุ่งก่าห่มมันก็ไม่สูญเป่าและตัวเองก็ไม่เสียเวลาอีกปีหนึ่งอะไรเงี้ย S <S an> <S an> <S เห็นไหมละ่ะเห็นว่าทำไม่ถูกเห็นนะมันทําลายตัวเองแล้วทำลายคนข้างเคียงไงมันเรีย่าอัมพาตประจังสุดตั้งรองรเองนะความเป็นวิการไม่นูกในโลกเห็นไหมละ่ะคอยได้เลยถ้าเราพิจารณาตามคมมําสอนของเจ้าเราจะเห็นเลยเนี่คนโง่คนฉลาดมันต่างกันอย่างเงี้ยคนฉลาดเห็นเรื่องหมดแล้วคนโง่ยังไม่รู้จะเกิด อ, อะไรขึ้นต้องให้เกิดเหตุหยาบขึ้นมาแล้วจึงคิดได้ตามได้ตามทันอะไรทันเนี้ยซึ่งมันก็ป่วยกรารมันจตายไปแล้วไงเข้าใจไหมนี่ให้เรารู้จักคําสอนของเจ้าอย่างนี้ ท่านสอนมา ร, ร, รอบครอบหมดทุกอย่างอย่างในหัวใจพุทธศาสตร์สนาอย่างงี้ยไหมให้ราชั่วทําดีทำจิตใจดวงใจโดยสุดเราราชั่วก็เป็นปเพื่อความสุขไปันเป็นคุณทำความดีก็เป็นเพื่อความสุขลสแล้วจาหลักดูสิเราเห็นภาพเลยเห็นไหมถ้าเชื่อคําสอนไม่เจ้าไปลัความชั่วก็เพื่อเร า, าตัวเราเป็นความสุขแล้วพอทําความดีตทำเหมือนก็มีความสุขความสำหวังความสมปนะัจจานาทุกสิ่งทุกประการอย่างเงี้ยไหม แล้วจำเป็นอย่างนั้นะเราจะทําไม่ได้หรือถ้าเรารักเราเนี่ยถ้าเมตตาเราเน่ะถ้าเราโปวดตัวเราเนี่ยนี่เราอยากอยากให้ภาพมาโปวดแต่ตัวเราไม่รักตัวเราไม่เมตตาตัวเร า, เราไม่โปวดตัวเราเนี่ยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้ไงคนนั้นในในพมิหารมันมันจะขึ้นว่ า, าหัง่งซวยตัวโหมนี้ขอไปเจ้าจงมีความสุขงั้นมันผลเข้าไหมพอจะน้องความสุขแล้วเหตุในความสุขได้ความเป็นอยังเราไม่อานุโลมเลยมีไปเตข้างหน้า ไม่ย้อนหลังปฏิรูปเข้ามาถ้า ม, มายจอเามาเราก็เห็นเราบกพร่องหรือไม่บกพร่องเนี่เป็นการวัดไปในตัวด้วยเห็นไหมแล้วมันเข้าในหลังอริยสัจทำให้ต้องสวนหลังอริยสัจอ๋อมันเหตและผลให็นไหมเราจะเอาแต่ผลเหตุเราไม่ดีผลก็ไม่ดีถ้าเหตุดีผลก็ดีนี่นี่หลังอริยสัจหลักภาษาเข้าใจนะถ้าแปลทุกองขใจว่าเราจะเราจะไม่เห็นว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไงแต่ถ้าแปลให้ฟังอย่างนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยหลักอริยสัจ เหตุและผลนี่แหละมันเป็นหลักเีตจผลเพราะทุกข์มันก็เป็นผลธรมุไจก็เป็นเหตุไม่เห็นนะความชั่วมันจะติดเส น, น่ห์โรธตอนดับทุกข์เป็นผลมรรคเป็นเหตุ ท, ทานฉีนภาวนาเป็นเหตุไม่เห็นเราต้องบำเพ็ญอะไรเนี้ยพอเราสมปันนาศนะมันก็ดับทุกข์อันที่เนี้ยเราจะให้นิโรธเป็นความหนุทุกข์ท้อททงทํารไม่แจ้งเห็นไหมมันก็ต้องเดินมรรคต้องพิจารณาอย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเหตุผลไง ถูกมเห็นเหผลเข้าใจเรื่องเรื่องความเป็นมาอย่างเงี้ยตอนที่พระเจ้าสอนบางครั้งเราก็ไม่พยศเราก็ไม่ดื้อไม่ด ไ, มได้นเนี่ยเพราะเราเห็นเองแล้วว่าคำสอนพระเจ้านี่ประกอบด้วยความจริงไปเหตุผลเถียงไม่ได้ค้านไม่ได้เนี่ยไม่ได้ต้องแก้ไขตัวเราเองเนี่ยเพราะนั่นเราเห็นว่าชาวพุทธทุกวันนี้ชอบแก้ตัวไงใช่ไหมไม่ชอบแก้ไขถ้าถอย่างบอกว่าคนดีชอบแก้ไขคนจะนอยชอบแก้ตัว เขาไม่รู้เนียธรรมะปะนามะอย่างหนักอาว่าทมาด่าจริงไม่ใช่ด่าผู้ดได้รู้เพราะนะั้นอย่าอย่ามาเถียงอย่ามาค้านเพราะว่าธรรมะเหล่านี้ออกอย่างน้ำพระทัยของผู้บริสุทธิ์เลิกในิดโลกรู้แจ้งแล้วโรคทั้งสามการมาโลกมีสิบเอ็ดภูมิปปลูกมาโรกมีสิบภูมิอรูปมาโรกมีสี่ภูมิสิบหกกับสี 12, ่ก็ยี่สิบยี่สิบก็ทิบสองสารที่หนึภูมิพระเจ้ารู้แจ้งหมดเพระเาะนั่นเรา ม, มาพูดเนี่ย ไม่มีใครมาเถียงมาค้านได้หรอกถ้าเถียงได้ค้านได้นะเพื่อนไม่มาสามารถอย่างเป็นศรัทธาเดโมตสานังได้หรอกอย่ามาเป็นครูของเทวราอินพรหมได้หรอกในพุทธคุณเราก็สวดไปแล้วน่ยสกีมายานไม่ใช่ฉันมาพูดเอาเองว่าเองนะไปเปิดดูก็ได้พุทธคุณ่ะศรัทธาเดโมตสา낭เป็นศาสตราดาของเทวราชในมดทั้งหลายไม่เห็นหรือทำไมอ่ะพราะเถียงไม่ได้ค้านไม่ได้ไงจริงอยู่ตลอดเนี่ยไม่เห็น่ะตั้งแต่อดีตมา ยังปฏบัติากกราณาคตนะก็ยังจริงอยู่เนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยชนวันบ อ, บอกว่าทำดีได้ดีอย่างนี้เห็นไหมตั้งแต่อดีตมาไม่ว่าชาติฉันมาหน้าไหนไปทำก็ดีหมดไม่แต่สัตว์เลีฉนไปทำก็ยังดีไม่เนหะ็นเลสัตนิสัยนิสัยดีคหมอนคนกระลักหมันเมยนะอันบอกว่าชั่วไทยไปทำก็ชั่วหมดพระเทวนนีชีไปทาไปชั่วพระราชาไปทำก็ชั่วทเท ว, วดาไปทำก็ชั่วไม่เนหะ็นสัตว์อรัสามไปทว่าชั่วเห็นไหมไสัตว์นิสนิสัยไม่ไดี <laughs> เหมือ น, นใครก็ไม่ชอบไม่รักมันเอาเวลาไปจับสัตแต่อดีตมาก็เหมือนเดิมปัจจุบันก็เหมือนเดิมอนาคตก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมจริงไหมค้านได้ไหมเมื่อถ้าเราเห็นคําสอนพระเจ้าอย่างนี้ไม่มีใครที่จะมาบิดพบี้วคําสอนพระเจ้าหรอกมิแต่ยอมรับแล้วก็ประพฤติปฏิบัติไปตามที่มันบอกมันสอนบอกคนทางไว้ทั้งนั้นเนี่ยตุไม่หิขิตยังจะปังนี่แหละมันบอกคนทางแล้วไม่เถียงไม่ค้านยอมรับนิจหน้าชื่อตาบาน หมอบตายแต่ไว้ชีวิตเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราเห็นมาการาบอยู่นั่นนะ่ะเหนั่นนะ่ะพ่าเก่งนะเห็นไหมแต่พระเจ้าเก่งกว่ามอบตายแต่ไว้ชีวิตเลยลูกตาก็มอบตายแต่ไว้ชีวิตเลยเหน็นลูกตาเก่งคนนั้งปรเทศเลยตั้งตัวโลก ม, ก า, มากราบมาไหวไนะ้ไว้น่ะก็ยกชีวิตถาไวายไปพุทธบิชาแต่เพราะอะไรอะ่ะพราเหนือกว่าเทียบไม่ได้ค้ายไม่ได้อะ่ะพี่น้องทั้งหลายจิงหมดเจียมแจ้งหมดพระเจ้านื่อยมาหมดเราต้องเห็นอย่างนี้ เรายังยึดเชื่ออยที่เรามาสวดในพุทธคุณโอ้สัทธาหิมาสนางอ่ะอันนี้เราก็จํามาทั้งก้อนทั้งดุ่นมาเราไมา่เขี่อยแจ้งคิดเปียานาแยกแยะเราคิดอะไรแยกแยะมาอธิบายแบเนี้ใครใครก็ต้องยอมสิโดราบเนแล้วก็นึกเป็นบุญไหมกูสวดโอ้เรานี่มีบุญนะมีวาสนาหนะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบคํามสมานเลิศนี้เราต้องมีบุญมากถ้ามีบุญมากลงตาเราพูดว่าคนไม่มีบุญมากเก็บไม่ได้พบได้เจอได้เห็นในพุทธปฏิบัติ นี่เราเป็นคนมีบุญมากมันเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใช่อย่านั้นงพ่ออสิตเนี่ยทำกลางไงท่านงูมานพูดนน้มุไทยอังกังมนษเสสุมเห็นนะอังกังเอเลอ์มนุษย์พบอันนี้อยู่ในสานทำกลางเลยจะมาเป็นโสดามันสกิานาคารหันพระปเจพระพุทธได้หมดนี่จะก่ําลงมาเนี่ยจาพระพุทธให้เดือดามดเป็นสรสารไปเปลี่ยนสกันรกมก็อยู่ที่เรานี่แหละจะเอาลงต่ำหรือเอาขึ้นสูงเห็นไหม เพราะนั้นเนี่เรานี่ยภูมิของเราเนี่ยเหมาะสมเพราะเราเกิดมาพบแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมตัวอย่าประมาทอย่างนี้จะเราทํามาถูกต้องในแต่ช่าในแต่กาบพระพระจามาตามที่รักษารักษาสีรักษากายวิญาใจเราเนี่ยไม่ทำทุกข์นุ่มทั้งใหญ่พอเราทําแล้วมันเป็นสมบัติของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่เรียนบาลีมานี่เราไม่เคยเข้าใจว่าแปลว่าอะไรแต่ว่ามันมีกรรมชสโกมหินั้นเนี่ตัวนั้นเนี่ยที่ท่านกำชับว่าให้พิจารณาทุกวัน ธรรมสกุลมีกรรมเป็นของของตนสิ่งที่เราทำทางกายปัจาใจนี้เนี่ยเป็นสมบัติของตนถ้าผิดก็เป็นสมบัติของตนถูกก็เป็นสมบัติของตนที่ท่านอิศว่เราฉลาดเลือกแฟ้นไงให้ทำแด่กรรมดีเพราะว่าจะได้ได้ผลดีถ้าผลถ้าทําให้ดีเราก็จะเดือดร้อนบุ่นวายซึ่งเราไม่ต้องการเราไม่ปรารถนาเลยแต่ที่มันเดือดร้อนเพราะเราไม่เข้าใจนี้ทึ้งเราเห็นในสังคมเวลานี้เห็นไหมเห็นเห็นผิดเป็นถูกอ่ะอืมเห็นกองจากเป็นดอกบัวนั่นแหละนี่แหละมันก็เลย เห็นความชั่วหวานน้ำตาพอทาแล้วเมื่เลยน้ําตานองหน้าพเพราะอะไรให้ผลขึ้นมาไม่พึงปรารถนาร้องความร้องให้หนาตาเพื่อนไปด้วยน้ําตาพอะไรโอเราให้ผลขึ้นมารับไม่ได้เห็นไหยสะเตือนจะออกสะเตือนใจแต่ถ้าทําำบำดีแล้วเห็นไหมไม่มีหรอกแล้วในจริงเหล่านี้ถ้าเราเป็นพระเคยบวชมาแล้วเนี่ยพระเจ้ามีในกายยัถานะอากะตังดูกะตังเสยโยนะความชั่วร้ายไม่ทําะเลยดีกว่าเนี่ย ทำแล้วย่อมเดือดร้อนในภายหลังอสุขตังยังกตาวานานุาตปฏิอปล ว, ว่าความดีทําไว้ได้เลยดีกว่าทําแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจเห็นไหมทําดีนะทำแล้วไม่ต้องเดือดร้อนใจเลยเพราะทำแล้วจะมีความสุขไปตลอดไปน้าตลอดเวลาเ น, นะแต่ความชั่วนี่ให้ผลในภายหลังนะเดือดร้อนในภายหลังนี่นะนี่มาทุกกึงเดือนทุกติดห้าวั น, นพาต้องตรวดเนี่ยตรวดเ่ออะไรเพื่อเดือนสติให้พระอนุตบุตรเข้นมาแล้วเนี่ย ให้รักษาเนี่ยหัวใจพุทธศาสนาไว้ให้ละทิ้วทําดีไว้ให้ยีหลักนั้นเนี่วาถ้าจะทําเป็นอย่างนี้จะสอนเป็นอย่างอื่นเปไม่ได้อย่าว่าเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะความจริงมันเป็นอย่างนี้ต้องสอนอย่างนี้แหละเน้อคนจะประสบความสุขแล้วให้ละทิ้วบำเพ็ญบุญนั่นเนี่ยพูดแต่ง่ายๆอย่างนี้คอยตัวโลกเลยคอยภาคปฏิบัติก็จะพูดเรื่องเหล่านี้แหละทิ้งหลักเหล่านี้ไม่ได้มองข้ามไม่ได้พวกพาอันนิยมเนี่ยพากันเออ ด้อยค่าไม่ได้อั น, นี้เป็นสัจจะไม่เป็นสัจจะเป็นสัจจะนี้่แหละเรียกสัตสีนั่นแหล ะ, ะมาจากนี่เลยนรูราา้ภาษาภาษาแปลแล้วภาษาเข้าภาษาเข้าใจเข้าใจไหมให้เราดําเนินตามนี้ถ้าเร า, า ร, รักษารู้วิธรักษาสัตว์และเป็นดําเนินอยู่ในเนี่ยกายเวลาจิตธรรมเนี่ยพิจารณาร่างกายเราเนี่ยไปครอบไปด้วยของไม่สะอาดที่เราไปผมคนและผนังในกายคตานั่ยนะ แล้วเราก็จะเห็นความจริงของมันมีอยู่ไมหมเนี่ยทำไมต้องมาสอนกันเราพระญต่พระมาบวชก็ต้องสอนห้าอย่างอันนี้เราสอนต้องสามสิบสองอย่างอยงนั้นสอนห้าอย่างเงี้มันรูปพระทหารนะก่อนชนะไรศีลถ้าอุปเช้าไหนไม่สอนมูลกรรมาฐานในกุลบุตรถือว่าได้ทําลายมรกผลพมะดิพานของกุลบุตรไม่เหมาะสมเนี่เป็นอุปเชยะของกุลบุตรเลยคิดดูดะนะมาจงสอน เกสาลมานคาให้พิจารว่าเป็นของไม่สะอาดอย่างนั้นอย่างนี้ต้องว่าไปพัฒนาไปเห็นชัดอ่ะแล้วต้องทบทวนมาอนุโลมอีกภายนอกภายในอะไรเงี้ยให้จิตมันปล่อยวางอันนี้แล้วมาฝึกซ้อมอย่างเงี้ยให้เราเห็นอย่างเงี้ยพอเราเห็นอย่างเงี้ยปุ๊บเออจะไม่มีหญิงมีชายมีสัตว์บุคคลเราเขานี่นั่นเลยไม่แต่สภาพธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแล้วไม่รู้ เนี่ยพอเห็นนั้นสลดทั้งเวทจิตมันวางอารมณ์ปุ๊บมันรวมขึ้นมาเนี่ยแยกกันเลยเนี่กายกับจิตแยกกันเลยนี่เนี่ยน า, นากับรูปเนี่ยแยกขาดถ้ามาจิตสงบเราจะเห็นจิตของเราทีเนี้เห็นจิตของเราเนี่ยเราจะรักษาจิตเราได้อ่ะจะไปคิดดีก็รู้ไปคิดเจ้ากันเนพอรู้มันในสติไงในสติมันก็ดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมันก็ไม่ออกไปทางาการกระทํำมันทางพูดมันก็คุมง่ายไงแต่ถ้าเรไม่มาสงบตรงนี้ยมันยังคุมยากอธิบายไปก็ยังเข้าใจยาก เพื่อน้องไม่เกิดจากภาคปฏิบัตินี่ตรงนี้อต้องไปลงมือบําเพ็ญต้องมือกระทําไปหาที่มุมสงบหรือวัดหรือสถานที่หรืออะไรเงี้ยเราเดินยังกลมหรือให้มีเวลาให้กับตัวเองเนี่ยทําจิตตรงนี้รวมไม่ได้ถ้ารวมไม่ได้เราก็จะเห็นสภาพที่มันสงบที่เป็นธรรมหลักธรรมชาติอ่ะไม่ต้องอ า, อาศัยยมิตรอ่มีอยู่อะจิตตัวนี้นะ่ะแต่ที่นี่มันเกิดจากกา ร, รบำเพ็ญไม่ถึงไง นันมีอยากได้อยากได้ได๋ต่ไม่ทําเหตุไม่เป็นไมอได้เพระเจ้าจึมาพูดฟันตธงไว้ที่ว่าเนี่ยตุ่มให้กิจจังตัดปังอัฆ่าตราดธากตานั้นเนี่ยกิจทั้งหลายท่านต้องทำเองเราตรธาคดเป็นผู้บอกคนทางด้านั้นเนี่ยท่านมาบอกคุณทางให้เพราะฉะนั้นเราเมื่อรู้คนทางแล้วทางทางอจฉิส WOW. ัสนั้นท่านย่งว่าเป็นทางสายเอกเอกังมักกังเอกังเบิ่มแคหนึ่งไม่มีสองไม่มีสามไม่มีสี่ไม่มีห้ามันถนนทุนทาง มีสายเดียวเส้นเดียวนี่แหละเดือนเส้นนี้แหละชาตานังมีสุตติยาจะทำชาตินี้ถึงความบริสุทธิ์เมนะ่เนี่ยท่านปันตรงไว้เลยพูดเด็ดขาดไว้อย่างนั้นเลยนะถ้าแปล น, นะในมักมีคนแปลในใ น, ใ น, ในกนคมาจากเทศกันแรกอนะ่ะพูดในเรื่องเหล่านี้แหละสอนในเรื่องเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะไปต้องได้จําได้ว่าได้เเป็นนกแก้วคุนโองไม่รู้เนะื้อหาแล้วก็วิ่งไปอย่างน้ำหมอน่าจะดีจะเด่นจะสุกมันเสียเวลาเปล่าๆนี่ย น, นะ ถ้าไม่ถูงหลักนีส้สัตวเนี่ยเวลาหมดไปเนหะ็นไหมเหมือนสาย น, านนะ้ําเลยเนี่ทําไ ม, มไทำเลยมาทําความดีต้องมาบารุถึงบุตรทังสะระน ง, งกชามิเข้าพรเจ้าถึงสนะพระเจ้าเป็นสระที่พึ่งเนี่ยชีวิตของเราพอเราได้หลักตรงเนี้เราดูรามันหมดไปตามหลักไตรลักษณ์อ่ะแต่พอเราโรคเขาเป็นเหมือนกันหมดแต่ว่าพเรามาหาพระเจ้าอันนี้ชีวิตที่เราหมดไปเนะี่ยมันไม่หมดไปเหมือนโลกเขา มันมีความดีทานจริงภาวนาเ น, นี่ยมันมาอยู่ในวัาใจเราเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นอริยทรัพย์เป็นบุญเนี่ยทานนสมบัติศีลสัมบัติภาวนาสมบัติ์ก็ราลึกขึ้นมาเช่นมชื่นเบิก บ, บ, บ, บ, บานเห็นเองถ้าเปรียบเทียบเนี่ย ม, มันคนสองคนน้องคนคนหนึ่งลงมุอทุนปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ทําอะไรอย่างงี้ยไหมไอคนนึงไม่ปลูกอยู่ส บ, บายอรรยาอีกสิบ ป, ปีนะไอต้นไม้ใหญ่ก็มาให้ผลงร่มรื่นเขียวเนี่ยไอคนนึงก็ว่าเป่าดังร้อนอย่างเงี้ยเนี่ยคนพาวนากับคนไม่ภาวนามันจะต่างกันเนี่ยภระยายาวเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคนที่ภาวนายืนืนนั่งนอนฝึกตัวเองไปอยู่ตลอดอย่างนี้นะ่ะฝึกตอนอยู่อย่างี้นะกับคนไม่ฝึกนะจะต่างกันเลยอะเวลาหมดไปนะมันหมดไปแล้วมันใส่น้ําไม่คืนมาแล้วอาอยุไขก็ไม่คืนมาแล้ว แต่คืนไม่คืนไม่เดือดร้อนเนะ่ะคนที่ทำมาบีตามุ่งเจ้าเนะี่ยมันมีตีพึงนะ่งเนี่ยเนี่ยเราต้องเห็นตีพึ่งเองเหไหมตี่พึ่งมีได้พูดเปลี่นหนังสือนะแต่เห็นในชัดจิโนโอเนี่ยตีพึ่งขอนี่ทีท่ความดีแต่เราทาบําเพ็ญในกาวยายใจเนี่ยเห็นชัดอยู่ตรงข้ามกลางอกเราเนี่นะ่ะอ๋อนี่มีเรื่องเหล่านี้มันเย็นกายเย็นใจภาษาเราเรียกว่าบุญแน่แนะคนนั้ น, นมีบุญน่ะคนนึกอะไรันก็เป็นไปตามใจนึกแล้วถ้าภาษาไปเรายสมปาตถนา นึกไปเป็นไปตามเหมือนือแก้วสารพัดนึกของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยตรงนี้เพราะอำนาจคุณของพระรัตน์ใเนี่ยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสมบัติเพชรินจินดาในโลกถือว่าเป็นของมีค่าในโลกเขานิยมกันนะแต่ไม่สู้พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตน์จึงมีค่าในส่วนมนในรัตนสูตรนั่นไงเพราะคนมาถึงอันนียคําสอนของเจ้าเนี่ยเป็นรัตนะใครมาบำเพ็ญตามนั้นคนนั้นจะมีรัตนะในกายในวาจาในใจ แต่ที่ว่าเนี่ยพอนึกปุ๊บมันก็เป็นไปตามใจนึกใจปรารถนาเนี่ยคนหนูตีนเท่ากันธาตุจีกันนั่งกเท่ากันเนคุณภาพ้าของใจนะเนี่ยที่เก็บความดีนั้นไม่เท่ากันมันถึงทําให้คนแตกต่างกันออกไปไม่เห็นนะความต้องมีสีตัวความฉลาดอะไรเงี้ยความบรรลุธรรมอะไรไม่เนี้ยออคนเหมือนกันนี่ทำไมคนนึงไม่ได้กันไม่ได้เนะ่เพราะไอ้ความละเอียดที่เก็บไว้สะสมไว้ในดวงใจของของเรานัเนี่ยมันต่างกันแต่เราไม่เห็นแต่มันมีอยู่ เลยเข้าใจยากมันไม่ใช่วัตถุบุญนี่นะมนไม่วัตถุแต่ยี่ห้อมโนปุบบังกขามาธรรมามโนเศรษฐามโนโมยาบุญและบาปจริงใดมีใจนึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สําหรับได้ดเรื่องใจไม่เห็นเนื้ใจเรามเป็นผู้รู้นั่นแหะที่เรามาพูดพูดไปนะเป็นพิธีกรรมไปเนะี่ยแต่เราไม่รู้เนะื้อหาเนี่ยแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเรียบเรียงได้หมดเข้าใจอ๋อเนี่ยปิติมาอย่างเงี้ยมันมีจิตเพิงอย่างนี้เองเห็นชัดระหว่งางกลางดวงใจเรานี่แหละ ใช่ไหมเรามีความเชื่อมจืดเบิกบานเย็นอกเย็นใจไงนั่นกัเป็นจุกน้องกัเป็นสุกเดิมเป็นจุกเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองแล้วเราก็ไม่เบียดไม่ผู้อื่นชีวิตเราที่หมดไปนะหมดไปด้วยมีความหมายมีค่าไงทีนีถ้าไม่ถ้าเบียดเบียนตัวเองนั่งไม่เบียดไม่ผู้อื่นหมดไปจริงเหรอเจอว่าเราดูนะก็ยังมีเดือดร้อนอถ้าเราไม่เบียดตัวเองก็ไปเบียดผู้อื่นก็หมดไปก็มีความหมายแตเดือดร้อนอีกไม่เห็นแต่นี้ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดรผู้อื่นเนี่ยมีจริง ที่โลกต้องการปรารถนาในพระเจ้าพยากรณ์ไว้สองพันปีแล้วก็ยังเป็นของสดๆร้อนๆอยู่เนะอเมยาปัญจสุขั้งโลกเกความไม่บีบใดกันเป็นสุขในโลกเห็นไหมโลกทั้วันนี้มันมีแต่ฆ่ากันทำลายกันไมเห็นบ้านแตกก็เลยขาดพ่อเนี่ยผิดจินรมเบียดเบียนเห็นไหมไม่ค่าตายก็ทรมานเอามาทรมานกันไม่เห็นน ะ, ะทรมานก็ต้องมารับกรรมกันนะกรรมจะโกมีนี่นะ เป็นญาติทเป็นจิตตามไม่ผลสืบไปไม่เลย น, นะให้พิจารณาทุกวันน่ะนั่งในอภิญหาในทศ ธ, ธรรมในธรรมวิหารพูดแต่เรื่องเหล่านี้ทุกวันเนี้ยแต่เราต้องได้จําได้ว่าไปทุกวันเนี่ยแต่ว่าไม่ลงลึกในเนื้อหาไม่แปลก็เลยทําให้เรามองข้ามเรื่องเหล่านี้ทั้งนี้ทั้งคำชัดพิจารณาเพื่ออะไรละ่ะก็เพื่อเราสัมมาทิฏฐิเห็นชอบด้วยตัวเราเองเมื่อเห็นชอบแล้วเราก็จะละความดื้อความด้านความประยศเป็นสัมมาทิฏฐินะ เช่นมถ้าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ต่อต้านพระเจ้าทําตรงกับข้าวพระเจ้าสอนหลอดนี่แหละซึ่งกระแสไม่อยากเป็นเราเดี๋ว่าจิตจตัวกิเลสตนั้นมันไปไ ป, ไปบดบงังทําให้กระด้างกระเดืองเงไม่อ่อนน้อมเงี้ยเ น, น, น, นี่ยพอจิตเราสงบไปเงี้ยพอจิตสงบ ก, กายเบาเนี่ยกายรู้ตาจิตรู้ตากายมุทุตาจิตมุทุตามุทุไปว่าอ่อนอ่อนโยนเนี่ยไม่ใช่อ่อนแอนะเนี่ยเบากายเบาใจเบามีความสุขเงี้ยไม่หนักอกหนักใจเงย ที่คนหนักอกหนักใจไม่เหลองดูเถอะไม่อะไรไปเบ่งเขาแต่มันหนักเขาไปชอบหรือเขาไปเกี่ยวข้องหรือไปรับรู้เรื่องอะไรเงี้ยหนักใจทุกใจเนี่ยนะนั่นเนี่ยตัวนี้แหละ เพราะมันยังถืออารมณ์ต่างๆนะถ้ามันวางอารมณ์มันเหลือแต่จิตล้วนๆมันเบาไปหมดเนยแล้วเนี่ยมันจิตอ่อนคัวในการงานพอเราไปพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดื้อไม่ไม่ต้านทานเลยก็จะไปเข้าใจดีไงเห็นชัดไงคำสอนพระเจ้ามันมีอยู่แล้วไงอย่าได้มีจิตใจจ้องอะไรก็เห็นไปอื้อื้มอ้ออ้ออสิ่งป่าอ้ออย่างนี้เราหมันว่าเนะถึงอ้ออ้ออ้อเห็นไหมมันมีอยู่แล้ว่啊 พูดชัดเจนเปิดเผยอยูแ่แล้วทั้งกลางวันกลางคืนเราไม่ได้ปิดบังอะไรนี่นะอ่านี้อริสสีใช่ไหมสติปัญจสีมันก็มีตัวเราอยู่แล้วเปิดเผยทั้งกลางวันกลางคืนแต่เราไม่นําไปเพื่อปฏิบัติเรามองข้ามไปแล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะสุขเราจะพ้นทุกข์อย่นี้เป็นไปไม่ได้ไงมันเกิาการปฏิบัติไงไม่มีการขอไม่มีการร้อนวอนไม่มีการมงสวงไม่มีการบูชายันไม่มีการไปหาหมอดูหมอเดาอ่ะเพราะนั้นมีสวดมนต์บทหนึ่งที่ติดกับเหมาการนิโกนาโถในเข็มนาคาฉาย ใช่ไหมบำเพ็เวจะนั่งเงินยังใช่ไหมคนเมื่อเกิดวิกฤตทุกข์ของชีวิตแล้วไปถือต้นไม้ใหญ่บ้างจ่อบัวบ้างสามปูบ้างมองดูว่าว่าเป็นสาระเอตังโคจะนังเกมังนั่นไม่ใช่ชนะอาณาเสภนั่นไม่ใช่ชนะอุดมสุดบุคคลใดไปถึงนั้นแล้วย่อมไม่พ้นเดือดทังดวงได้เพราะอะไรอ่ะเพราะไม่ใครรู้แจ้งโลกทั้งสามเลยมาสอนมาบอกนี่เรายั่นตายเองไปถือว่าวโลกไปกราบไปไหว้เขาว่าเขามีคําสอนอ่ะ อันนี้พระเจ้ามีคำสอนหนึ่งสว่วดผู้ใดมาถึงผู้ใดเจ้าด้วยพระทับด้วยประสงด้วยอริสสีมักมีองค์แปดอันนี้มีคำสอนมิตรทางเดินเออนี่ขนาดมีคําสอนลราเรายังไม่พ้นทุกข์อันนี้มีคําสอนจะพ้นทุกข์ได้ไงอ่ะคนที่ใครมาถึงอันนี้ทันชี้เลยเอตังโคสุ ร, รังเข้มังนี่เป็นชนะอันกเกษมนี่เป็นชนะอุดมทสมสุดใครมาถึงอันนี้แล้วย่อมจะ พ, พ้นเหนือผู้้องหวงได้เห็นไหม ไปเปิดดูถ้ า, ามไม่เชื่อพระอาจารนักนักษาได้มีนี่ไมมาพูดเอาเ ป, ป่าๆว่าเอาเฉยๆว่าตามมารวมๆไม่ใช่มันรักษาไม่มีไปเปิดดูในส่วนมนต์อ่ะปวตอนต้นเลยนะท้ายบะหมากริโกนาโถน่ะพูดได้ชัดเจนเนี่ยคนเที่เที่ยวไปขอที่อ่อนวอนที่บวงสวงเนี่ยมันไปหลักๆอันนี้ผิดหลักๆอันนี้ทั้งหมดเนี่ย แล้วมันก็ผิดหลักสัจย์ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยของที่ดีเลิศมาเสร็จแล้วก็มอพากันดูได้พากันมองข้ามพับไม่พากันนิยมไงไม่ให้นน้าแม่น้ำหนักแต่นักปฏิบัติต้องให้น้ำหนักเรื่องเหล่านี้ม่เนี่น้องตายนี่หลวงปู่มั่นเลนะเทศน้ทำทวินัยอย่งนั้นะไม่ไปทานอื่นอะไรจะีเสพสูตไม่ไปทางอื่นเน้นทำวินัยนะเขาอยาฟังได้ก็ได้ฟังเป็นก็เป็นไม่พาเปทางอื่นเน้นทาวินัยเขาจะาตลอดเลยโยย่องทาวินัยเลย เด็กภาคเนี่ยถ้าตั้งอยู่ต้องนี้เลยไหมหน้ากาลามเด็วไหวใช่ไหมเขาไม่ตั้งอยู่ในรู้เราเธอนี่้เราเห็นด้วขี้เกียจฟังขี้เกียจ ด, ดูขี้เกียจเพื่อนหูเลยเด็กภาใจอย่างนั้นนะเนี่ยภาคปฏิบัติของเราเราทีนี้อธิบายไปแล้วครึ่งเยี่ยมงแล้วเนี่ยเข้าที่ฟังทำภายในทีนี้ภาคปฏิบัติฟังไปมากทำไมปฏิบัติมันก็ไม่เข้าถึงตัวจริงเราในสายระบมหลูกปั้นพั้นพาทำอย่างเงี้ยเราจึได้ผลมาอย่างเมาเป็นให้ได้กล้าได้เห็นหน้าอยู่เนี่ย เพราะท่านพาทำนี่แหละเอาอย่างนี้พานั่งไปด้วยนี่สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุด้วยกันเอานั่งภาวนานฟังมากไม่ไปฏิบัติก็อย่างนั้นแหละไม่เห็นเข้าถึงตัวจริงหรอกแต่นี้่ก็เข้าถึงตัวจริงได้ก็ได้เลยไม่ได้ก็จะได้เห็นภัยนะมีจะได้ถัดวันประกันพรุ่งอะเฉวีวัคจิ จ, จมาตะฟังควรรีบทําความเพียรในวันนี้ทีเดียวโกชัญญาโมระนังสุเวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้ ในโนเซนคารันเตนะามาเซนนัมัดยุนาเราทั้งหลายจะผัดเพี้ยนด้วยมัดยุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นไม่ได้เลยนะความตายมันเมได้ใหญ่นะ้เนี่ยนี่ทำชาแล้วเห็นไหมลงไปลงไปลงไปเนี่ยหลวงพ่อไม่หลวงพ่อสวัหลวงพ่อจุ๊ปปอดหลวงพ่อไอ้นี่คุ้นๆกันนะไปเมรณะเนี่ยไปงานหลวงปู่เทศเดี๋ยวนี้ไปใจหายเมื่อกี้น่เห็นไหเราได้นั่งลําดับไกล้ๆเดี๋ยวนี้มาต้นต้นเลย มันจะลรคไปเรื่อยเลยเนี่ยแล้วบ้านเมืองเราด้วยก็ช่วงนี้นะโลกนะกําลังบ้านเมืองเรานี้อาศัยนับพุทธศาสนารักษามีของดีนกักผระแก้มาลกดนี่ย น, นะนี่มันปยากรไว้อะไม่ใค่มีสุดสงครามประเทศอื่นเราดูอิหร่านปริช ต, ตยายไรจารย์เรือระเบิดล้งบ้านไหม้เพื่อถ้าใครดูข่าวประเทศก็ปิดการดูเนี่ยนะมันลุกมาเรื่อยนะปนะเอื่นนะไม่สมบูรณ์อาหารกินน้ำบูนอย่างนี้เนหะ็นไหมแย่งอาหารไม่มีกินนะปริชตายนะน่าสงสาร น, นะ อย่าี้เยี่ยงลำบากหมดอยหลับจะนอนก็ลำ บ, บากหมดเลยเรานี่อยู่สุขก็อย่าเพลินนั่น น, นี่เรียกเพราะละมัน ไ, ไล่มาเรื่อยแล้ยนี่มันไลก็มาเรื่อยเะยมันจะไม่ปกติอย่างนี้นะเอ้อ <c oughs> เรานี่ก็ต้องกอระช่อกกระตือนเหมือนกันนะ <c oughs> มากน้อยนะอันนี้อย่างไฟสงครามนะอยังางไฟธรรมชาติดีเล <c oughs> เป็นดินไหวอีกน้ํามาประไายกันนี่ <c oughs> ลมประไากันยังมีอย่นะ้นเนี่ยที่มันมีเป็นหลักเป็นของเดิมอะ ไฟเบลเลกันเนี่ยลมเบลเลกันน้ำเบลเลกันกรู้จากไหมเบันลเลยะมาตรงไหนเบันไย์หมดเนี่มันไม่เหลือห <laughs> าดียากเลยแหละพอมาถูกแล้วเนี่ยเรื่งใครก็ไม่เคยคาดคิดหรอกแต่ว่าถ้าใ ค, ใครใครปิดศีนใครไม่มีปิดสีนห้าปิดสินแปดอะไรเงี้ยมันจะไปเกิดในประเทศสังควรไปเจอแจ็คพอ์นั่นแหะถ้าคนมีสินไปทมก็แก้ค่าหอดไปไม่ไปเจอหรอก ปฏิเสธแต่ว่าทุกจะอยู่ในมงคนสอนปลี่ประการนั่นแหะเราทําแล้วลืมแล้วน่ะมันมีผลกับเราหมดเนี่อยู่ในข้ออภินาปเจเวกนี่แหละเรากรรมเป็นของตอนมีกรรมเป็นผู้นิเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเปผู้ติดตามมีกรรมเป็นสืบไปข้างหน้าอภาพนั้นเนี่ยไม่ใช่หมดเนอัตภาพทางกายนี่นะไปถึงพรบหน้าจะเกิดก็ตามอีกเหมือนกับองคุริมาหรือว่าคระมุขลานะทางกับแม่เห็นไหมเราจิตใต้เป็นสามเบสทหารก็ยังโดนเขาทุกนี่หละสืบไปนี่ เป็นอย่างนั้นนะเห็นไหมหนีเข้าชานหนีตั้งสองสามรอบทีนี้ไม่ไว้ไ ม, ไม่ไม่ได้ก็ต้องให้เขาทุกข์เห็นดูตัวอย่างเป็นตัวอย่างก็ได้นะ่ะเป็นบุคคลตัวอย่างให้เราได้เรียนรู้เลย เ, ลยเรื่องกฎแห่งกรรมนี่น่ะนพระเจ้าอย่างพูดเพรคนนั ก, ากบาชเคารพกฎแหกรรมหมดเลยพันธุวานนักธินักถิกรรมมังสมังพลังนะไม่มีพลังใดเหนือพลังแห่งกรรม啊 น่ากลวมากเลยถ้าเรียนรู้ลึกๆอ่ะฉันเคารพหมดเยอย่ะจะพูดเหล่านี้พี่น้าทุกวันแม่นะแต่บางทีเราทําเป็นนกแกลล้วนกกระรางไปทําแบบไม่เข้าใจอ่ะทำเป็นพิธีกรรมไปอ่ะไม่ทมําแบบนึกเข้าใจเนื้อหาอย่างที่ใบามาถ้าเขาทำแบบเข้าใจเนื้อหานะ เราจาชาติซึ้งตึงใจแบบนี้ยและชีวิตที่หมดไปเช่นไปเนี่ยแม้มันมีความหมายมีค่ามีราคาและเกิด เ, เดินมาถูกทางคําสอนพระเจ้านี่นะ <S <S ่ะถึงแม้ยัง ไ, ไม่ไม่ยังไม่ดับทุกยังไม่พ้นทุกไม่หมดกิเลนนี่แหละแต่มันอยู่ในกระแสของพระนิพพานเนี่ยมันอยู่ถูกทางมันถูกไ ง, งเดี๋ยวป็นถึงนี้ทำมันได้สุดระดาบหนึ่งมันจะมีลิมิตการเกิดทําไมเห็นไหมไม่เกินเจชาติเห็นไหม แล้วก็สามชาติในในโชดะ บ, บันในมีสามประเภทเจ็ดชาติไม่เกินนั่นนะแล้วก็สามชาติลงมาอีกแล้วก็เอกพิชีก็ชาติเดียวสกฤตคาานีก็อีกชาติเดียวอนนัามีก็ไม่ลงมาแล้วก็อยู่ท่านสุจาวะก็ผ่านไปด้่นเลยเวทพระอันก็ไม่กลับมาแบบล่อลงตางเงี้ยชาติสุดท้ายก็ไม่มาแบอยา่างเงี้ยแล้วเนี่ยมันแน่นอนแล้วยังไม่เกิด ชวนเราตันๆยังงยังไม่ตกในกระแสเนี่ยมันั้งเกิดเถ้ า, เามันเกิดถ้าเรามีเรื่องฐานถิ่นพาวนานเราจะเกิดไปที่ดีพระเจ้าว่าเป็นสัมป ร, รายยิกถาประโยชน์ถ้าเรามีชีวิตยอยู่ได้มันเป็นเรื่องนี้สร้างไว้นั่นแะถ้าเราเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่สองอย่าง มันมิกระทประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันเนี่ยขันธ์เนี่ยอุทธานธรรมทานเนี่ยที่อุกอุอากาศะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ปัจจุบันคือขันยันขันแข็งเกิดขึ้นมาแล้วประกอบอาชีพได้มาแล้วรักษาทรัพย์นั้นเนี่ยมันถูกต้องอนุ ร, รักษ์ธรรมทานั้นเนี่ยแล้วคเขบกัะยาดมิตรที่ดีแล้วก็รู้จับใครสอยสมกับฐานะมีมากก็อย่าขี้เหนียวขี่ถี่ไม่ก็กิกนก็ใช้ก็ใช้ใโลกนี้เใช่ไหมหรือว่ามีแล้วก็ใช้ให้เป็นโทษ เป็นนี่เป็นสินลป์ร่ำละลายหรือไหวตำชั่วชา้าลามกจกเปรตอะไรแบบนี้ยที่เราเป็นเห็นนี้มีมากมายแล้วก็บกจกเปรตด้วยความมีนั่นเนี่ยก็ไม่รู้จะมีทําไมกินแคเอ็งมีมากไงกินแค่ท้องหนึ่งอินหนึ่งน้องแค่ตื่นหนึ่งมาที่น้นก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้เนืนก็ตายแล้วก็ไม่เอาไปด้วยแค่อัตภาพเดียวนี่แหละสมบัติแผ่นดินเกิดมาก็ไม่อาผลคนอะไรมามาก็ตัวเปล่าเงินบาทหนึ่งก็ไม่กลามาผ้าผืนนึงไม่นุ่งมาเนี่ยนะ ตาไปก็ไม่รอดไปทั้งอย่างนึงแต่ว่าความชั่วความคิดองหมอตามไปด้วยคิดดูนะมันน่ากลัวนะนั่นไป็นที่ไม่เนระกมันนานอย่างเงี้ยไม่ใคยมาบอกหละใครพาเขาแจ้งนั้นเอาทีนี้นั่งภาวนาพูดไปยาวอย่างไม่จบแล้วทีนี้จะนั่งด้วย <c oughs> จะไปด้วยอาจะไปนั่งด้วยจ ะ, ะดยยได้ทากปฏิบัติได้สองอย่างทั้งฟังทำภายนอกแล้วฟังทำภายในเขาถึงธรรมภายใน นั่งสงบจิตไหม น, นะใครไม่เคยภาวนาก็ระลึกดูพุทโธ่หายใจระ ล, ลึกไปเนี่ยทําอกหรือที่ท้องก็ได้ตามไปพุทธแล้วก็โทออกมาพุทแล้วก็โทออกมาหรือจะดูแต่ลมก็ได้แล้วสังเกตดูมันถูกจรินแบบไหนจะดูแต่ลมไม่ภาวนาได้ก็จับลมไว้ จาละเอียดเข้าละเอียดเข้าไปพอละเอียดจิตมันรวมแล้วลมจะหายนะบอกไว้ก่อนลมจะหายก็ไม่ต้องกังวลเพราะเราไม่ได้เผาแนาวลมเราเผาแนาวพุทโธเพราะว่าผู้รู้วาลมหายมันมีอยู่จับผู้รู้นั่นนหะไว้อย่าไปจับลมจับผู้รู้นั่นแหะไว้ผู้รู้ว่าลมหายมันมีนะจับผูร้รู้นั่นแหะไว้เพระาะเราไม่ได้เผาวนวลมลมมันเป็นธาตุผู้รู้เนี่ยเป็นจิตเนี่มันหยาบกัน ธาตุมันยาว ก, กว่าจิตจิตมันละเอียดเข้าใจไหมดินน้าไฟลมนี่เป็นธาตุจิตมันเป็นธาตุรู้มันละเอียดกว่าธาตุลมเราไม่ได้เอาเภาวนาลมเอาธาตุรู้ผู้รูนะ้อยู่ผู้รู้นั่นแนหะมีสติอยู่ผู้รู้นั่นแนหะเสียมันจะสงบนานจะแค่ไหนก็ปล่อยทำให้าติเขาจนเขาถอนขึ้นมาเขาเริ่มคิดเริ่มนึกนั่นแหะจิตมันถอนนั่นแหะ ถึงเรามาพิจารณาร่างกายของเรานี่แหละมันจิตใช่ไหมจิตอ่อนคนในการงานนั่นนะมันก็อยากพิจารณาเพ่งพินิษดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังไงตรงไหนเป็นชาตุหญิงธาตุผู้หญิงผู้ชายมีไหมไ ม, ม่มีมีแต่วัตถุอะนั้นเรามาเรียกตามสมมติของโลกไงภาษาไทยว่าผมบาลีว่าเกษาภาษาจีนบอกว่ามอภาษาฝลังบอกว่าเฮเห็นไหมแต่นั้นว่างเฉยๆอยู่เกิดขึ้นตั้งแต่ดับไปไม่รู้นนียนุยนิเนาะ ตัวรู้มัรู้ที่จิตนี่นะตัวยึดก็ยึดที่จิตนี่ไม่ยึดตัวท่าก็ไม่ได้ยึดนั่นแ่ละพอเราดูไปดูมาอนุโลมปฏิโลมเนี่ย ม, ม, ม, มันจะเข้าใจความจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่ะเรามาแก้สมมุติเหมือนพอรู้แจ้งในสมมตินั่นแนหะมันเลยเป็นวิมุตติไม่เอาตรงไหนเขาไม่เห็นได้เลยเพราะนั้นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่เห็นไม่ยึดเลยเกิดขึ้นไประดับไปแล้วก็เป็นของไม่สะอาดไม่เห็นเลทิ้งมันเลยน้เลือดทั้ท น้ำลายน้ำเสน่ห์น้ำมูกน้ำเหงื่อน้นำไข่เนี่ยตรงไหนไม่เอาบ้างอ่ะน้ําเลือดอะไรเงี้ยเล็บแบบผมไม่ทิ้งหมดไม่เห็นเนี่ยแต่ทิ้งหมดไหมออกตัวเราก็เป็นของตัวปอกแนะล้วไปหนใส่อหารก็กินไม่ได้แล้วสังเกล็ดแล้วไมรุเ น, เนีนยยิย่งเป็นโรคด้วยนะโควิดด้วยเงยิ่งตกใจกลัวเลยนะยิ่งติดหายใจกับเรื่องอย่างตัวเลยนะไี่เป็นอย่างนั้นนะคข้าพิณตางคำสอนว้เก้าจิตก็จะเห็นตามนั้นเนี่ยฝึกซ้อมไว้อยู่เรื่อยๆเลยเ่ยนะ นะแล้วเราจะเข้าใจกายในกายเนี่ยเห็นกายในกายภายในก็แบบอันนี้เราเห็นนี่แล้วภายนอกก็เหมือนกันเนี่ยนี่ทั้งภายนอกมาเทียบมัก็เหมือนกันเองเนไมมีสภาพเหมือนอันเดียวกันที่พระเจ้าพูดไว้อะชัตตาวาคือภายในบาฮิตทวาคือภายนอกคือนอกจากตัวเราไปนั่นแหละภายในก็คือตัวเรานี่แหละภายนอกก็คือนอกตัวเรานั้นแหละแล้วต่างไปเขาก็เราหมดกเหมือนกัน แล้วเราเห็นเห็นเราเข้าใจเราเห็นเข้าใจผู้อื่นไงมีทั้งไปด้วยกันนั่นมาอยู่จิตท่ารู้แต่เนี้ยมันรู้รู้หลงไงมันเลยมายึดเนี่ยเนี่ยท่าเรียกว่าอุปทานมายึดมั่นถึงมั่นเน่ยถ้าปล่อยว่างพอปล่อยร่ายเหมือนก็สงบนะมันก็เป็นเอกเทศของมันที่มันหวงเพราะอะไรเพราะมันไม่รู้ความจริงนี่ไงมายึดมันมั่นหมดเป็นของกูของกูไงตอนท้ายอนุก็ไม่รู้เรื่องด้วยอ่ะเด็จพอเราเห็นเองแลนี่มันก็หายความหลงไง เนี่ยนี่มันเกิดจากภาคปฏิบัติแทบมันเกิดขึ้นเองไม่ไม่ไม่ขาดไม่เกิดส่วนสงบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ตัดกิเลสมีความสุขมีตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแต่มันจะขาดนี่ตัววิปัฒนาเนี่ยคือเดินปัญญานี่แหละถ้าทําไม่เป็นก็ต้องมาฝึกมาซ้อมมาหัดคิดหัดนึกหัดพิจารณานี้แหละโดยอาศัยสัญญาความจําได้หมายรู้นี่แหละก่อนแล้วมาเปลงเป็นปัญญาพิจารณาให้เราจิตเราเห็นพอเห็นนี่เนี่ยมันก็คลายความังวลัดยินดีพอใจเี่ย เบือนานี่ยยว่าภาษาธรรมะเรียกวนิาพาาิตาอาจารย์เราก็คือเบือนอยายนะคลายคำสัตไม่รักไปทางเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยจิตมันโง่มันก็ไม่รู้นวมันก็ถอยวางนั่นก็เข้ามารวมภายในอย่างเงี้ยยีอย่างเงีย้ยแล้วเมื่กดเย็นธรามรู้เลจ้าอยู่นั่นเนี่ยไม่เกิดไม่ดับอยู่องั้นเนี่ยไอ้ที่มันเกิดดับมันภายนอกทั้งหมดจิตนี่นะไม่ใช่ว่ามีผู้มีราตีเดียวอ่ะ ไม่จะไปสมมติยังไงว่างไงมันเจ้าของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีมืดมีแจ้งอ่ะเจ้าอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยเออที่มันมีมืดนี้มันไปเกี่ยวอารมณ์างนอกอเลยเนี่ยไม่เกิดดับมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นใจรักอ่ะแต่ในจิตนั้นมันธาตรู้อยู่ล้วนๆนะต้นไม้ภูเขาก็ไม่มีพ่อแม่ก็ไม่มีทะเลอะไรก็ไม่มีมีแต่ลูก ล, ล, วล้วนๆนะกระเจจันเลยนะอืม้ม พีถ้าไปเห็นเองหายสงใส่หมดเลยเพราะถ้าว่าจิตลองปฏิบัติไม่ถึงเลยมาพูดมาว่าเนี่ยมันก็มาหลอกเล่นกันเออมีก็ว่าเหมือนไม่มีเพราะเราไม่ไม่เห็นเนี่ยมันขาดภาคปฏิบัติเนี่ยเราปร ะ, ประยัดปฏิบัติปฏิเวทไม่เห็นนะเราด้วยภาคปฏิบัติเนีใครปฏิบัติเนี่ยรรองไม่ถอยหลังไม่ว่าชาติต่างชาติมาอยู่เนภาคต่างชาติมาบวชได้ไห ไม่คืนกลับบ้านกลับเมืองเขาเลยนะไม่อยู่รัสละชีวิตในผ้าน้องกาาพัดได้ในผ้าเหลืองนยะดูท่านปัญญาลุศิลล้มตา ม, มาโู้เล่นะเจ็ดพัทธิ ต, ตเป็นพัทนะเนี่ยทุกวันนี้เนะี่ยทนเชรี่นะี่นี่ย้รวยนะนะั่นน่ะคืดูท่าไมกลับสายาท่านนะพิเจโตรู้ว่าลจิตคนด้วยนะ่ะใครเขเ้องรู้วรจิตหมดนะพัดรังนันนะี่ยังมีชีวิตอยู่นเะนมะน้ยรั อยู่ในธรรมวินัยอย่านะี้เรียบร้อยงดงามมาเนะี่ยอยู่แล้วได้สานลูกปุชา ก, ก็เยอะเนะท่ า, านเสวยาสตร์เราเลยไหมเท่ดีกว่าพระไทยเราอีกลนยะทาไมพระไทยยังสึกไม่เข้าใจอหรือทางมันถูกแล้วนะทําไมยังละคนทางที่ถูกนะแปลว่าคนทางนี้ไม่ถูกคนทางไม่ถู ก, ม, ก, ม, ถกมันก็ไม่ถึงที่หมายไงเขาพูดถูกเลยนะเ ข, ข้าใจนะ ก็จะเข้าใจเออเขาเลยไม่เห็นเนี่ยปวดทวงเขาเองต่างชาติแล้วเข้าใจธรรมะของพระเจ้าดีอ่ะเนี่ยเป็นคนไทยไปแล้วได้ยศนายศักไม่เห็นนะไม่กลับบ้านกับช่องอนะหค่แต่เขาปรารถนาความจริงถึงความจริงแล้วไม่มีใครเลยจะไปถอยหลังไปนั่นนะเราดูก็ได้ไม่ใช่มกพูดมาไซโคอะไกันนะมาเชียร์อะไรกันนมันเชียร์นี่เชียร์เห็นว่าเน่ยคาสอนพระเจ้ามันเลยเลือดี๋ยวนี้พอเราไม่ให้น้ําหนักอ่ะไม่นิยมกันน่ะ ทำให้ถูกส่วนน่ะแต่ก็จะเอาผลเรือเลิศไปแปไม่ได้ไหมเมื่อทำให้ถูกตามหลักริยศัตร์นี้รับรองไม่ต้องไปเที่ยวขอหวนได้ในนอนเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจอย่างนี้นะเอาทีนี้จะหยุดอธิบาย แเป็นไงดีไหมเนยวังด้วยปฏิบัติด้วยเออใช้เป็นทุกอย่างาทุกวันนี้เราักที่ยงันเรามาทำงานเนี่ยอนทานข้าวแล้วพักเที่ยงแล้วก็หาที่นั่งมุ่งสงบกำหนดจิตนั่งก็ดูจิตเร <c oughs> าพาเข า, าพาเขาไปมุ่งส ง, งบอ่ะทำไปเถอะเราอย่าไปคาดหวังให้ทำเหตุทำยืนเดินน่นนอนทำไปอายุหมดทั้งสี่อ่ะ มันมีเหตุแล้วมันจะรวมครั้งวันหนึ่งมันเราไม่รู้ได้พอมเหตุปัจจัยมันพร้อมปั๊บลงไปเลยแหละอัศจรรย์เลยมันเสียงบทีเหมือนฟ้าจะหลอมเลยนะจิดรวมนี่นาะถ้าคนที่มันมีจิตผัดโผลนะลนะถ้าคนที่ไม่มีผัดโผลก็เป็นแบบเนี้เย็นจะว่าสบายเบาไปหมดแต่ว่าจะพียวโผล่ลงมันฟ้าจะหลอมก็มีบุ้มลงไปบางทีมันก็นั่งแล้วปมันก็ลองเหวบบปั๊บปั๊บลงไป กวางจ้าจนเลยเลยมันไม่บอกยังบะน้ำขอให้เราทําเหตุไปเนี้ยถ้าใครไปเจอนี้นจะรู้เองอ่ะสารติสติโกขึ้นเลยอบทธรรมคุณผู้ไปจะรู้เองเห็นเองหายงสงสัตัวเองหายสงสัคํามต้องการเจ้าก็แน่หลวงปู่ฟ้นยังสงสัยอังคิดดูนะยังไม่ถามนั่งภาวนานไม่ได้ไปไปแรกๆตอไปอยู่กับุลวงฟ้นนะนั่งไม่ได้ไงพอนั่งแล้วมันเจ็บขาไม่ได้นั่งขัดสมาธิเพชรอย่างงี้นะนั่งแบธรรมดาแบบนั้นแนหะ มันเจ็บมันจะดีทั้งไปเลยนะมันเจ็บมันจะดีก็ไปสาพิ๊กไปพิกมาก่อนอย่างแรกอะทีนี้เย็นๆพรนบุญเย็นนั่งจัดถ้าจะพักพักผ่อนของน้าเราพักหน้าห้องนั่งวะเราก็รีบไปของน้าไปรีบไปกราบถวายกราบเจ้าเลียนท่านเนี่ยขาการกำลังปู่ผมนั่งพนานไม่ได้นั่งแล้วมันปวดมันชาเด็ยไปหมดเลยท่ายังไงครับท่านมองหน้า ให้มันตายดีดนะมันไม่ตายหรอกกิเลสมันตายวะเงกลัวตายอย่างนั้นอย่างนี้วแะแต่ก็ว่านะแล้วท่านก็เลยยกประบติท่านในขวางท่านป่วยเป็นบาเเรียเนี่ะอยู่ที่พูรังคำอะที่หลวงพ่อบุญ ม, มาอยู่ที่ขอ น, ก น, นแก่นนั่นนหะท่านเคยเป็นนั่งกลางแก้งอเตียงไปตั้งไว้นั่งกลางแก้งทงั้งบ่ายสามั่งตั้งไ ม, ม, มาทุกมันจิตมันรวมใหญ่เลยวะรวมไปจนข้ามคืนไปจนถึงเรื่องบเอ็ดโงเนี่ยเนนไปเรียก จิต ท, ท่านเลยถอนในควา ม, มกังอบขึ้นมาดูเนียนกล่ำไม่รู้ไปตัวอะไรม <c> า <oughs> ไปกินข้าไปจัน ง, งานก็ไม่ได้บินบาทเที่ยงเัยจะเป็จะ เ, ปจะเที่ยงแล้วว่างันท่านว่าเออคื อ, ค อ, คอเดี๋ยวใจหนึง่งเนว่า บมื่อาอาจารย์ไประวัดว่าโอ้ที่พระเจ้าสวีวิติเวสตสจุแห่งละเจ็ดวันเจ็ดวันที่เราไปอินเดียไม่จะมีแลตนะบรรลังอะไรงเงี้ยมาินเจ็ดวันเจ็วันไม่ต้องไปจิตเป็นอย่างงี้อยู่ได้นะ่อันนี้วันหนึ่งคืนนึงคืนเดียวใจหนึ่งเลาท่านเลยหายสงสัยนพูดมาเออเห็นไหมอ่านไปแล้วก็สงสัยทั้งนั้นแหละเราก็ยังอ่าก็ยังสงสัยใช่ไหมเออเทวดาทัเบกิ้งหินเทพเจ้ายังไงน้อยคือจะโกด้ มูงก็ขิงแรง่งผมไปเห็นโอ้มึงขิงได้แบบนี้ผมไปเห็นวามึงก็หายนกไก่ตีมงไปเจอเองไงใช่ไหมผมไปเห็นโอ้ยังงั้ก็ขิงได้แล้วใช่ไหมมันหลักฐานหมดเลยเนี่ยทำสุกรคาตาดีมันเทศในหลานทงพระไตรรุจแล้วท่านนั่งพัดอยู่หลังเอาพังท่าลัวก็ต่อเด็ไปเลยน่ะได้โสดาได้โซดาบันมาแล้ว็น่ไหมหลานท่านมาพระเจ้าเทวีกรังสมมตนนั่งพัดให้อยู่กอับรรลุไปเลยสุกรคาตาน่ ก็หมูขุดทุกคนว่าหมูไปขุดว่าเพิงก็ไปไม่ลึกหรอกถ้าใครไปงินเดียนะที่ตะกูลนะ่ะมีหลักฐานหมดเลยนี่อาจารย์เล่าคนนี้นี่นะถ้าเราไม่เจอเองมันก็สงสัยทั้งนั้นเนี่ยแต่พอไปเจอปับจะแปลนหายสงสัยเลยหลุดเลยทั้งประเทศเราก็เคยต้องใจแม้คืนนี้กนเรามีคนมีสาจาัจจะอยู่แล้วเนะี่ยไม่ออกเลยไม่ไม่เปลี่ยนขาว่าผมนั่งไปมันปวดมันจะตาย พุโธไม่หายไม่มีพุทโธอ่มึงกิดปันก้อนก้อนอมตายตา ย, ตายอย่างเดียวเลยยอมตายแต่ละตายอย่างเดียวเนี่ยตายแต่มันคล้ายๆกับเราไปแล้วมันลงเหวแล้ววุ้บลงไปเนีสว่างจ้าเง้ยเลยเนะี่ยบอกขึ้นเลยท่านก็พูดบาลีไม่เลยนะนักติสนันติปรังสุขแข็งแกม่มันเข้าใจดีสุขอยู่นีว่าจิตสงบไม่มีโอ้โหมันเคยเจอในชีวิตเนะ่เนี่ยไปวัดเห็นในครั้งแรกเนี่นะมีตั้มขามนะเนี่ย จ, จิตสงบมันมีจริง ถ้าเราไปเจอแล้วเราก็จะเชื่อการงานอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากกลับบ้านเลยอ่ะไม่ตั้งกึงแล้วนี่เป็นแค่กึงเหมืองแร่มันเยอะทำไมก่อน <c oughs> องานเก่งอะไรเงี้ยเป็นดุมเครื่องใช้ไม่ต้อยสมบูรณ์ทุกทุกอย่างอะไรเงีเ้ยเพื่อนก็เยอะแยะมันทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยไม่กลับบ้านเลยอยู่ล้งปูเลยพอแม่เป็นวันทุริศลำบากแต่มันไปอยู่กท่านเรื่มันลื่มคืนมีแต่ความสุขเรื่มันลื่มคืน <c oughs> มันท่านเทศรับ แกอยว่มันเราก็นั่งฟังคําั่งจิตจิตก็สงบมลกไปองั้นฉันเอาอะไรก็ไปรัดช้ท่านอะไรเปนาเนี้ยอย่าส่อมอย่าซ่อมเลยผสมเทไว้คนรู้ปัญหาดีไงอย่าซ้อมดีมากมากมีสองอย่างอย่าซ่อมกัน้ํามันน้ํามันในขี้พึ่งน้ํามันพึ่งสรุปแตกห้ามเลือดอะไรงกันกันธรรมดาขี้พึ่งเนี่ยเราไม่กันได้ถึงที่นะไปจุน้ําน้ําหนาวมันจะเป็นไข่นะแต่นี่น้องหน่อเงยออกสงสารเล่น้อยก็ไม่เป็นเป็นน้ามันอย่างงั้น ห้ามเลือดท่าแผลพรเดินตทงกลมเท้ามัน อ, อกร้อนเนี่ยเดินนานๆอะไรไงเงี้ยก็จะเท้าถาก็มีถ่ายําไปใจวิตกก็มีเดินไปนานๆไม่มีรถเดินก็เท้ามันร้อนเนี่ยร้อนด้วย อ, อะไรเงี้ยมีสาอย่างางี้รย ร, ร้อนพองนะเดินในพองนี่ะไยเดินพองเดินด้วยดงไปไม่น้ําปลายพองหมดนลยนี่มีสามันร้อนเดินไปหมดวันนี้พองจีนเป็นพองนามมา้ำหมดเลถ้ามีน้บบํามันทานี่ยไม่เป็นไรเนี่ยกป็นอย่างนี้แหละ พราะนั้นเราปฏิบัติเด้อมีใครทำบันสาแล้วตั้งตังสัตว์ตัวเองให้มีสัจจะให้มามีสิทธิทัดอ่ะเฮเดินจงกรมทุกวันไสรมาสทุกวันส่วนบันทุกวันนั่งบานทุกวันมาคับตัวเองไม่เลี่ยไรอย่างเงี้ยทำหลงในความดีแน่นอนเฮ้พอทําผ่านได้กําลังใจมันมาถ้าทําไม่ได้เสียกําลังใจนะแต่ต้องรับสัจจะต้องทำให้ได้ไอ้สํามัยสมันเด็บึกบานมีกําลังใจต้องตั้งสัจจะหมดเลยพระเจ้าต้องสัจจะไม่เห็นเนียเห็นไหม รอยถาดได้เข้าของน้องสุชาดาแล้วก็ต้องอธิษฐานเหมือนกันถ้าไม่ตรัสรู้จะไม่รู้อลยหลัลกฐานมีหมดใครไปอินเดียมาแล้วเนี่ยพวกเราต้เคยมีคนไปมาแล้วเนี่ยไปไม่ได้ใช่ไหมมีหลักฐานหมดบ้านน้งสุชาดาไม่นะ้ำในเาใช่ไหมนั่นแหละพระเจ้ายาดีตรัสรู้ก็มีหลักฐานหมดอ่ะไม่ใช่เมืขึ้นมาไม่ใช่เทวดาเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆมนุษย์พิเศษพระเจ้าอ่ะที่ทําทุกข์กิริยาจึงก็เป็นนั่งมาแล้ว ถ้ำสุ ข, ขอนขาตานะี่นะเป็นอถ้าไอทํำไปที่ทุกเนยาจำอยู่หกปีปปปวปนน้วเนี่ยที่ไปพระทิเวตเขาไปยึดไว้เปนั่งพอนาแล้วะเนียมันไป้ำหุนหืมมืดโอ้กับเราพ่อยันคำไปสมัยเดียวกันกับเยีมไเยียมสมัยก่อนไปยากอะ่ะพอเป็นนั่งโอ้เหนื่อยท่วหมดอ่ะร้อนกันนะแต่จิตมันสงบเย็นอยู่นนะ่ไม่ออกมาเลยนาะไปขอต้องลงไปไงอย่างเงียนี่ว่าไปอินเดียเนี่ยถ้าไปกันทัวร์นี่ ยังไม่ตั้งไหนงงเขาก็เอากลาบเขาไปแค่เนี้ยพอ someplace. ไปแล้วแหมมันดึงดูดมันยังไม่อยากไปเลยนะเขาจะกให้ไปเลยนะมันดูดดูดดูดดูดดูดมาที่ท่านที่พระเจ้าอยู่ 19, 000, 3, สิบเก้าพรรษาเขาหมือนกันเชตะวันนะโอ้ยสนุกไม่ใช่ว่ามัน 10, 000, 7, 000, anda. ไปนานไม่ได้ไปเจ็วันเจ็ดวันอย่างเงี้ยไปเป็นครึ่งเดือนกว่าเป็นเดือนไปอยู่ที่ไรวันไปซักผ้าทัไงเลยอย่างเนี้ย แล้วเขาก็ไม่มีกำแพงอะไรรั้วเลยรที่สามไปแล้วเป็นน้าพนันท์พนันท์พโยมเมธนอจันเนสวมนี่ที่อยู่ตำมสาไปจันเนื้อจันหนึ่งอะไรเพราะนั้นวิโยพยีไปแล้วตะคุลวิระวิระวิระอยู่อย่างนันลำศึกไปแล้วกนสุรินทร์พนางยาบาลไอ้เนี่ยไอ้บัจิละไอ้ของอะไรเนี่ยมิชชั่นอะไปกันเยอะๆเลยดีมากๆเลยนะ ภาวนาเนี่ยโหดื่มจะเปียนไปด้วยกันขึ้นเปลี่ยนหลวงพ่อคาดเปยที่เป็นหนุ่มด้วยกันนะรูปโวกเอาเนี่ยมีอยู่ที่เป็นหนุ่มอยู่เนี่ยท่านพยนท่านยชอบใจของแกทุกวันนี้เพราะว่าพาท่านไปภาวนาท่านเต่ดึกๆที่สามไปอยู่นั่นนะยีน้ำหมองมันเยอะแล้วก็ไปเชอาเราเลยไปนั่งเรียนอันตาโพมันมีใบไม้ไงพอแจ้งหกโมงก็ยับไปที่อวีตะคดีขันตะดีหลวงพ่อเจ้าไปนั่งเย็น ถั่วเข้าแล้วค่อยหนีเราจินข้าวมีความสุขมากเลยนะโอ้ย oh, ด, ดึงดูดดูดดื่มนั่นแห้วคอยมาลองปฏิบัตินะยืนเดินนั่งนอนนะจับหลักวัฒนธรรมสอนนะพระเจ้าไม่มอกรอกรวงแล้วอ้ยืนเดินนั่งนอนเจริญสติสติแล้นั้นแหละกีิเลสไม่กลัวสติที่เราทํำให้เราเจริญเจริญสติตให้มันเข้มแข็งให้มีกําลังต้องสะสมวงนี้เนอะใช่ไหมให้มัน แบบชุบ ม, มอเปิดไม่ได้ไปขออันวอนไม่ได้แต่ว่าไม่ไม่ถูกใจกยาพุทธชอบเอาทังรัฐชอบไปขอถ้าขอได้หลวงพ่อก็ไม่ต้องบวชให้ยากมานั่งลังของัองแข็งขอเอาเหมือนกันเนี่ยเนอะเอาทีนี้จะได้ลากันนี่ไปมุ่หนึงจัมีภารกิจอยู่นี่เลยพักว่ที่อุบัติการมีนแตงอะไรคนคนโระทศอะไรเ มีโครงการสร้างกุฏิเพื่อทำใเออยู่นี่ยกุฏิยังไม่เสร็จอยู่เลยเนี่ยบรรลายอยู่เนี่ย <c oughs> บ้ายร่วมมืกับพระอาจารย์นะครับในการสร้างกุฏิที่วัดตาชยชมพนนะครับ <c oughs> ท่านใดที่เพิ่มส บ, บได้นะครับไม่ใครกล้าบอกยมุมรอ้องทำไปเงียบไปนั่นแหละทำเท่าไหร่ <c oughs> แต่บรรามก็บอกกัไม่ธรรมาดาก็ไม่บอก ไม่เกี่ยเกี่ยไม่เรียนอะ ไ, ไรก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับในการทางเสภาให้กับทางวัดนะครับสนุกเมืองหลวงพระพุทธศาสนาก็จะขอโอกาสท่านพระอาจารย์นะครับเพื่อท่านพระอาจารย์ท่านก็ไม่ได้โฆษนาประชาสัมพันธ์หรือยังไงครับก็ เป็นโอกาสที่ดีแล้วนะครับที่เรามาที่นี่นะครับ มิในของพระไงไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวาวรณาเพิ่นไม่ขอเพิ่นไม่บอกพระเราเนะี่ยในญาติเป็นญาติเป็นปวนาวรณาหรือฝ่พ่อฝ่าแม่เจ็ดั้วโคตรได้อยู่บอกได้อยู่ยยถ้าเป็นฝ่ายม่อฝ่ายแม่แล้วไม่ไม่บอกไม่ปภาวนาก็ได้เพิ่นอนุญาตเจ็ดั่วโคตรตามมิในอ่ะสทฉานองนั้นแล้วต้องปวาวรณาเป็นยังไงบอกได้ขอได้ าที่มีศีลทำอ่ะมันไม่จะขอดะเห็นหน้าราเบื่อเห็นหน้าผ้าเลยมันจะเรียกอะไรเห้ยดวใช่ไหมะมิเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวอกเจ้าเลยเห็นหน้าอาจารย์อะเโอ๊ยอาจารย์นี่เรียกอะไรเก่งเรือนี้ไม่ใเ่องอะไรหรอกไม่ใช่บอกหรอกน้องๆอย่าใจคิดกันเยพาพนนาอะไรอย่างี้บอกก็รู้ไม่มีก็อย่าทำมีก็ทำ อยู่ครอบครวาติโยมไม่เบื่อหนหรือว่าอยากเน้นภาคปฏิบัติจิตภาวนาทุกวันทีสี่เย็นก็หามงเย็นนั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาเพราะนพระที่ว่าจะสวดมนต์เก่งทั้งเว่แปทั้งแปลทั้งของแปลกเก่าๆที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์นั่นไว้ก็หายไปแล้วโชคแต่ละพัญญะอะไรแนั้นเนี่ยยังมาขับไว้หลปู่ลุยงเคยลวงปู่หลุยไงหลวงพ่บุญเพลงทำปังเพลน่ะ มั่นจะขับไป น, นี่ไงยาดีวตานะ ย, ยาดยวตาสั้นดีวิห่ราวาตินีทูเปกะเรโบทิกะเรตะหิงตะหิงอ น, นี่มาสุดเนี้ยกับอรัฒนาธรรมนั่นแหละมันมีสิบสองคำต่อสิบสองคำวิธีการจะไหวมันถูกตามหลักภาษาก็ ห้าคำก่อนแล้วก็สามคำแล้วก็สี dots, illing, say, ่คำเอื้อนเแต่ถ้ามันเราก็เรียกว่าบทร้อยกองถ้ามันเป็นสองภาคข้างนี้ระไรบทพัน์อันนี้มีแปดคำนี้เป็นสคําำมีสิบหกคเวลาไหว้มันสีสี่เหมือนเดิมถ้าตุจีรังสตังธรรมโมธรรมมัตตาจัปุกกลาสังโฆโหตสมกวาอัจฉริยะจัจยัจฉะมันก็หลงว่ามันก็สัมผัสหน้หลักมันเป็นอย่างนั้นนี่ ถห้ได้หลักเาไปว่าได้อันี้สอนง่ายนะแต่ก่อนตามนั้นไม่ได้สอนให้เราอย่างนี้นะไปจับเอาเองอะไรเรปูหลุยอะว่าพ่อพ่อบุเจ่าแล้วก็หลวงพ่อบุญเพลงทาวงเพลนี่เพิ่นละขันไม่หมนไม่ใครสืบไ้แล้วมาตจิวาอีกวาครูบาอาจารย์จะสอนไม่ค่อยสวดมนต์หว่มันเกินไม่ทันเยไม่ทันเลยเยมทว่าเกยิ่งหลวงปู่ม่นเี่ยยิ่งเยอะเลยเมตตาใหญ่อ่ะแน่แน่ที่หลวงพ่ออะไรที่อยู่ทางกงดงเมตตาหลวง หลวงพ่อเมตตาหลวงนะนี่เอามาสวดเมตตาใหญ่นั่นนะคารวนพิสารกว่าอีกเขาแม่เขาสวดเมตตายนะเพื่อนมีกรุณามุติตาบีขาด้วยนึงเขาเราร้อยกว่าข้อมันเอาห้าร้อยกว่าข้อนะ <c oughs> เห็นลูกตา ม, มาพูดนะไ ม, ไ ม, ไม่นับเวลาอีกนั้นนะ่ะถ้าสวดมนต์เปอ์ น, นนะถ้าเราแปยเป็นในกรณยสนะูตรอ่ะเมตันจะสบโรเกตนิ่อภาริมานังนั่ ภิกษุมีสติอยู่ตามใดพึงแผ่ไม่ตีจิตใบในทิศทั้งหลายไม่มีประมาณอัประมาณ น, างนังเลยก็ไม่ประมาณแต่ในโลกวิญญาณก็ต้องการะไม่ตีจิตนั่นนะเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องข้าจินโลกเมตตาเป็นเครื่องค้าจินโลกโลกอยู่ได้เพราะเมตตาทำเนี่ยเฮแต่เราไม่ใชยในปฏิบัติแนละ้วยเรไม่จะยากได้เราไม่สร้างเหตุ ทั้งทำเหตุนะนี่ถ้าทําเหตุปุ๊บมันเข้าในหลักอริยสัจถ้าทําเหตุนะนะเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผ ล, ดผลไม่ดีนี่เป็นหลักอริยสัจนีะพูดภาษาเข้าใจนะอนั่าทุกข์ทางบุตรนี้รถมักนั่นนะมันก็ภาพพษาพระเจ้าแต่เรามาย่อเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจเข้าใจอนะ่ะหรือเหตุและผลนั่นแหละทุกข์ก็เป็นผลใช่ไ้ยไปความชั่วเอโรคคนหลงก็เป็นเหตุในความชั่วนี่รถความรบทุกข์เป็นผลในความดีทาทนศีลภาวนาเป็นเหตุในความ ความดีมักนะต้องเดินมักไปนะท่านยังมีวะได้ ใ, ในในในในตระกูลเนโซดามักโซดาผลสกตีกามากากาัาาาามากสกิตากาผลอน า, า, าคามักอนาคาผลอารามักอนผลมักคือกำลังเดินอยู่กำลังทำอยู่ยังไม่ทำถ้าผลพวกนั้นได้สำเร็จแล้วเป็นเป็นโซดาบันแท้นี่เพราว่าสกิตานี่ยยังถ้าเป็นผลต้องเรียนแล้วอนาคาผล่้องเร็จแล้วนะ แอาเนี่ยทานมักเน่ยสาเร็จแล้วทานมักยังเดินอยู่ยังบาเพ็ญอยู่ยังเดินอยู่ยังบำพิธบเพ็ญอยู่มมีทานอยู่แเป็นกิริยาพอสาเร็จแล้วเนี่ยอกิริยาเห็นมกิริยาคือต้องแอคทีฟแอคชั่นเไหมอันี่ไม่แอคชั่นลยหรอรให้เข้าใจอะไรอ่างสั่งกรทสังกระทนี่กลังบเพ็ญอยู่สั่งกัะทำนี่สเร็จแล้วเนี่ย กุปตโมอากุปตโมกุปตโมยังทำเริ่อากุปตโ ม, ม, โ ม, b, ม, โมไม่ทำเริ่มแล้วแต่อ่านตัวนี้ไม่ใช่บาดีไม่ใช่มาดีหมดนะไปไปในบางส่วนก็ไม่ดีบางกันก็ดีถ้าใช้กับเสิ้ยงกิเลนนี่ดียังว่าพระโพริสัตว์นิยโตกับพระโพธิสัตวานิยโตอันน้ดีอะไรนะนิยโตกับนิยโตในดีวันพระโพริสัตว์อ่ะเอานิยโตดี นิยตโตเปว่าแน่แล้วได้พยากรแล้วเนี่ยอย่างอัญชลัยิุที่จะมาเป็นเสี่มิตยโยเนี่ยแน่แล้วถ้าอนันยตโตนี่ยังไม่แน่ยังไม่ได้พยากรนีย่ยังเป็นกเวกรลาดพระโพธิสัตว์อยู่เอาจริงว่าลอีกอย่างมันเน่่นปนาถนรพุทธภูมิยังละเลยนั่นน่ะอาแตว่าภูมินีน่เลยทุกที่ท่นปัญหาเยอะนะ่ะมันนานไันเลยเบื่อหน่ยมันเลยไม่เอามันเนลลาเลยนะคนป่าเถนาพทภพูมิเยอะนี่เดี๋ยวยังไม่รับพยากร ยังไม่เป็นนิยตโตบุคคลท่านก็นเลย ย, เยังไม่เข้าคิวยังไม่เข้าคิวไหนที่ก็เข้าคิวแล้วไงไม่บอกไหมเนี้ยอ่ะไม่ใช่มาจะดีหมดแล้วแต่ไปอยู่ตรงไหนพวเรานี่เนี่ทําแล้วไม่จะเป็นของอื่นนะเป็นสมบัติของเราหมดนะกรรมตะโกมีเป็นสมบัติของเรานะมันเก็บอยู่ในใจใครทําก็คนนั้นจะรู้เองเห็นเองนั่นแหละแล้วนะี่เอาไปเรเลึกเป็นอนุสติระลึกไว้ ช่วยจิตสงบช่วยทําอะไรก็ไม่จันตอกกันมุมอันนี้โกหโมนี้ไม่มีวัจจักขัดข้องที่เราแผ่เมตตานะี่ยนะอนนี้โกหกนี้ขอเข้าไปแก้าจะได้มีวัจจักขข้องให้ภาวนักภาวนาะให้รู้ว่าใจเนะถ้าเดี๋ยวทอะไรเงี้ยนะยังไม่มั่นใจอะไรเงี้ยถ้าใจเรากับพระประสงค์แล้พรนะรประสงค์แล้วเนี่ยให้ใจสว่างสวัไม่ขัดข้องไปทําเถอะสําเร็จหมดอ่ย ถ้าวันไหมันมืดหรือเต๊บอะไรจะขัดข้องนะอย่าไปขัดข้องทั้งวันเนี้ยจำไว้เลยนะเรื่องจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่เชื่อไปดูก็ได้สังเกต ด, ดูกันได้ถ้าไม่เชื่อนะถ้าวหัวใจขัดข้องอ่ะไปทําแล้วขัดข้องทั้งวันเนี้ยมันไม่ได้ไหมถ้าไปขัดข้องไปท้าวเนอ้ยปุ๊บลาบลื่นปุ๊บ ด, ด, ดําเนินปุ๊มันเป็นในหัวใจก่อนแล้วนะเอาทีนี้รับพรเนะเอาไปขับขึ้น้ามาเอา ้าเดี๋ยวกันก็ขอขมาอีกรอบหนึ่งกับท่านทัาจาร์ น, นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสมมาสมปุตตะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระตะสมมาสมปุตตะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตธรมมาธรมพุทธะเทเรปมาเดนะชาราตายะนาคตังสะทังอปาราทังขมัทุโนพันเตเทเรปมาเดน เทวารัตเยนกะตางัาตังอภาราทังขมาตุโนภันฑ์เอ้าขมวามิตุมิหิติเมะมิตมบง เอาเนี่ยพวกเธอได้เข้ามาขอคำมาต่อพระอาจารย์เพื่อว่าได้ประมาทพัดพลั้งด้วยด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีตั้งต่หน้าเรืหลังก็ไม่เป็นบาปนั้นพระอาจารย์พร้อมเลยโอสิก็ไม่พวกเธอทั้งหลายไม่เป็นบาปเป็นเบนเป็นไปด้วยกันเลยกันต่อไปในทำวินัยนี้หรือพระอาจารย์ได้ประมาทพลดพั้งเหมือท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่หลังก็ไมนเป็นบาปนั้นขออัจฉรยะโทษพระอาจารย์ด้วยเพื่อว่าความสํารวมในทําวินัยนี้ ต่อไปเอวังโหตุเอวังโหตุโยจะมุเบปมัตทิตวาปัซาโซนะปมัตจติโซมังโลกังบพะเสติภมุดโววัจณิมายัสสะปปังกตะตังกมังกุสเลนะปะหฮยติโซมังโลกังบพาเสติภมุดโววัจณีมาอภิวาเดนะซีรินิจังวุธาปิจายิโนยัตารโอธรมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังบะลัง ทำแบบนี้ที่เรามาปฏิบัตินี่ไม่ให่เล็กน้อยจิ๊บจ้อยนะเป็นเรื่องใหญ่กเรื่องของคำมองคำมานี่เราผิดต่อกันมีมาในคำพุทธกาลเนี่ยหลายเรื่องหลายราวเลยสืบเข้ามาทุกวันนี้น่ะเออที่เราปฏิบัติอยู่เนี้ยถ้าใครรู้จังประชามบบมันจะสว่างสว่างในจิตในใจในข้องมนขาถ้าไปทําให้เป็นภาวนาแล้วมันจะติดข้องขาน่ะไปต่อต่อกันน่ะ ข้าพจิพพานนี่จะบองมัดเนี่ยเราทีละพรนะเนอะดวงอาทิศกรร็ละพรที่เราได้บำเพ็ญไปแล้วเนี่ยนะบริบูรณ์ฤทธิ์ญญญ น, นี้ยให้สําเร็จในโลกวิ ญ, ญญาณของเปรตญาติของพวกเราทั้งหลายนะที่ยังอยิอยู่ก็ดีลองละไปแล้วก็ดีนะไอ้บุญกุศลนี้ยเขาไปสําเร็จแก่ท่านเหล่านั้นเขาไ่ทราบาวิญาณวิถีใดๆก็เถิดเทวดาเดาสิ่งศสทธุทุกสถาน ท, ที่ามานมาตรจงแก่งกองกลางสวนที่เราได้บําเพ็ญแล้วในวันนี้ อะในบุญญาธิษณ์นี้ให้สําเร็จแล้วก็ถ้าถ้าสําเร็จแล้วตัวเราด้วยนะให้ถ้าตัวเราด้วยให้ตัวเราด้วยถ้าไม่โลกอิน ญ, ญาณนั้นไม่ไม่อยู่ในพอบูมเนี่ยจะได้รับสิ่งนั้นก็ไม่ตกไปไหนก็เจ้าของบ้านนี่แหละเหมือนกับเจ้าของบ้านญาติมาหาหลวงพ่อเจ้าบอกญาติมาหาทํำมาหาไปเลี้ยงญาติญาติไม่กินของนั้นตกที่ใครเจ้าของบ้านนี่ไงได้เรานั่นแหละเนอเอาเห็นไหมครับหวงพ่อเจ้านี่บอกว พราดเชื่ออะไรในความสุขทำดีอะไความสุขเนี่ยต้องไหนทำแล้วถ้าเชื่อวระเจ้ามัดปลอดภัยหมดนะไม่ไม่สูญไม่รั่วไหลไหมไม่ได้อย่างหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งเไม่ได้บุมนั้นก็ไดุญนี้อยู่ตลอดเลยอลังจากจัน์แท้เราไม่รู้จริงสอนไม่ได้ไหม ย, ยะดาวรีวังห้ปูราริปูรนติชลรองเอวเมวัวดดาวินนงเตตานุภปกาปติ อิทิตังมินิตังนุมหาอิปเมวมิจจโตสเบยบริณุสังกปาญาโดปนรโสญาถามิโตเทลาโสญาถาสัมปิโยวิวัตันตุสพโรโควินัสสตุมาเตมวัฏวันตระโยตุกดีคายโกมวะอะภิวาเดนะสีรตินิจังอุธาปิจายโนจตารโธรรมวันติอยุวันโนสุขังบะลังสี ที่ตังหุนหั่งปติหันติตถาวารมิกานิจะเสียงเจเปจามกคาเสเสิยิริจามิวุติโยตถาวตาตบโคโรสัญชาโตปฏิหันญติ เลนัตทัณจะสุขทัณจะจายีตุงยวิปัสสตุงวิหะรดานังสังคัสะอัมภังบุเทหิวานิตังตัสสมาหิปันนิโตโปโซสัมปัสสังอธรรมะโนวิหะเรการะเยรัมเมวัทะเยธาโมโหสุเตเลสังอนัญญปานัญจาวัฏทเสนาสนานิจ ạ ดัเดียอุจพุเตสุวิปัสสนเนจเจตสาเตตัสะธรรมมองเดเสนติสบาดุฆาปะมุปปานุระนังยังโทษธรรมะมิทัญญาญาบาริงนิบาตยนาสวติ สิริติตมาธิตจวัญญาทิฏิมเหติมหกุณนะปะริมิตาปัญญาิการัตสัพพันตรายนิวารณสมัติทัสสงวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสะทวติงสะมภะปุเรสลักขณะนุภาเวนะสตายานุภัย ยนชนะนุภาเวนะโทตเรสตมังคลานุภาเวนะฉับพันนรงสียานุภาเวนะเกตุมาราณุภาเวนะทสปารมิตานุภาเวนะทสอุปปารมิตานุภาเวนะทสปรมัตดทปปรามิตานุภาเวนะสีลสมา มทิติปัญญานุภาเวนะพุทธ ทานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสงฆานุภาเวนะเตจานุภาเวนะอิดทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยียรธรรมานุภาเวนะจตุราิเตนะสัตธรรมกันทานุภาเวนะนวโลกตระธรรมานุภาเวนะอันทังกิด มะกาณุภาเวนะอันตสมอปัดดยญานุภาเวนะฉลพิมญานุภาเวนะจตุสัจเยียนานุภาเวนะเมตตจตรยานนุภาเวนะสัพพัญญตญาณานุภาเวนะเมตตจาระโนมุติตาอุเปกอนุภาเวนะสัพพะบริตอนุภา เวณรตนาตยสระนนุภาเวณตุยยงสพพระโรกโกปัตตวทกโตมันสุปายญาสาวินนสันตุศพอันตรายญาปิวินนสันตุสบสังปาตตุยยงสมิธิชนตุทีกายุตตาตุยยงโหตุตวัสชีเวนสัมงกิโกโหตุศพพระเ กาจภาปะจวันณาปวามิคังกามหาสมุทรธารักกาเทวตาตาธาตุเมอนุรักขันโตนจารีติสิวะีิจามาเจรูวันนาหมาปวจนนาหม่าวัตรวัตตาหมาบลราบรังหมาโพค่ะหมามหาลาโพหม่าจำเบชนะมาหูชนะพระวันทุเตยินอยาให้บก ยกใหญ่ลงโว้อะมุมะมูนมา ใเงินไหลนองให้ดองเลยมาแย่ได้ขาดอยจะได้บกค้นหาดจะได้ขาดขึ้นวังแต่ร่าการลองอย่างนี้คือกองเงินคำแกวจะได้ขาดเกินถุงให้เจ้าวงงงใสน่องท่องในเบาเงินท่องไหลเงเก่าเต็มกระเป๋อึ่งต็มสาถ้าดูสัองสุมงกำลังขอถึพะมงคนทั้งสิ้นจงมีระคั้นดูสัมบเดวตาขอเทวดานางปวงจงรักษาสมบูธานุภาพเนาะโดยอนุภาพแห่ง พระเจ้าทั้งปวงสดที่หุ่นตตนิรันดรังขอความสวดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันเดินฮุดุสมบงสมบงกลังขอสัพพมงคนดังสิ้นจงมีราคะนดูสัมบดีวตาขอเทวดานุปวงจงรักษา สมบทธรรมานุภาวนะด้วยอนุภาพแห่งพระฏธรรมเจ้าทั้งปวงสดที่หุ่นตุนิรันตรังขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันเทินหุ่นโุจำบังจุมังกลังขอเจ้าระมงค์คนหนังสิ้นจงมีระคันุสัมบเดวะตาขอเจวานุปงจงรักษาสมบัตสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งระษาเงาเจ้าทั้งปวง สดที่หุนตุนิรันดรังขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีตลอดนิรันดร์เถิด ท, ทีนี้ให้หมดแล้วไปทําเองบ้างนะ